ซีดีธรรมบรัรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศกราช 2,547 โดยพระพรมกุณาพรปออประยุตโตวัดยาณเวศกวันอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องเมื่อดีเอเอเข้ามาจะวิยักธรรมจะว่าอย่างไร ปัญญาเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2547ครับที่มูลนิธิสาธารณสุขแชาติเนี่ยนะครับเราเร่วมมือกับทางศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์วิจัยทางด้านพันุวิศวกรรมอะครับ ร่วมกันทําเรื่องเรื่องหนึ่งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมขออนุญาตครับหลวงพ่ อ, อเป็นภาษอังกฤษกว่าเราเรียกว่า bioethics กับวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่เืทีนี้เราก็เรียกเป็นภาษาไทยให้ ว, ว่าชีวจริยธรรมก็บัญญัติศัพท์รรขึ้นมาเองแต่ว่าวคํำยิงก็เพื่อให้มันต่างจากคําว่าจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งเป็นแนวคิดซึ่งค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับเรื่องว่าหมอควรทาตัวยังไง แต่ว่าเรื่องชีวจริยธรรมหรือ bioethics เนี่ยจริงๆก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่าในช่วงประมาณสักผมก็จะว่าสักสิบปีหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปมีการค้นพบเรื่องรหัสพนันธุกรรมของมนุษย์ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเกิดความสนใจและก็กังวลไปพร้ อ, อมๆกันว่าความรู้ใหม่เรื่องพนันธุกรรมมนุษย์เนี่ยมันจะทาให สังคมมันเปลี่ยนไปยังไงก็เลยตกลงร่วมกันตั้งแต่สมัยที่ทางอเมริกาทางอังกฤษเนี่ยเขาร่วมมือกันที่จะตัดรหัสบรรทุกรรรทุก น, น, นะครับว่ า, าน่าจะจำนวนหนึ่งมาส่งเสริมให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียกว่าเบล e อติ c s ของไอความรู้ทางด้านนี้นะครับทีนี้คำว่าเ i ล e อติ c s หรือว่าชีววิยธรรมเนี่ยเข้ากำหนดยังไงเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีมีวิธีคิดหลากหลายนะครับ แต่โดยส่วนใหญ่ก็คืออยากจะให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มองเห็นหรือให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจถึงความเกี่ยวพันระหว่างความก้าวหน้าของความรู้ทางด้านนี้กับทางด้านกับกับทางด้านสังคมนะครับส่วนนึงก็คงเป็นการหาหาแนวให้นักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยทําวิจัยเรื่องพันธุ ก, กรรมแล้วไม่ไปทําให้สังคมเนี่ยเดือดร้อนจนเกินไปนักอีกด้านนี้ก็ทําให้ชาวบ้านเองเข้าใจเรื่องนี้ว่าถ้ามันมีความรู้ใหม่เนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงสองนี้ก็เกี่ยวพันกันที่นี้ ความเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยในนานาชาติเนี่ยเขาก็พยายามจะหาบอกว่ า, าศาสนาเนี่ยมองเรื่องพวกนี้ว่ายังไงเพราะว่าเรื่องพันธุ ก, กรรมเนี่ยความรู้มันเกี่ยวกับเรื่องชีวิต น, นะครับถ้าหากว่าเจาะจงที่พยายามจะหาความเห็นจากาศาสนามากเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องว่าความรู้เหล่านี้มันนำไปสู่ความสามารถของมนุษย์ในการที่จะเลือกเลือกว่า ลูกที่เกิดมาในหน้าตาจะเป็นยังไงได้หรือว่าจะมีลักษณะอย่างไรได้เพราะว่าพ อ, พอเรารู้พันธุกรรมเนี่ยนะวิทยาศาสตร์ก็จะเจริญถึงขั้นที่จะสามารถทําให้หมอก็ตามคนไข้ก็ตามเนี่ยนะครับเลือกว่าอยากได้ลูกลักษณะเป็นยังไงนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือก็มีคําถามว่าอย่างเนี้มันควรทำํำไม่ควรทําแค่ไหนรือ น, นะครับเพราะว่าด้านหนึ่งมนุษย์ก็อยากได้มนุษย์ที่สมบูรณ์เด็กด้านนึ่งก็พอเลือกก็จะมี ม, มีมีลักษณะเป็นการคล้ายคล้ายฆ่าชีวิตไปในตัว าการเลือกจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการผสมระหว่างเชื้อตัวผู้ตัวเมียแล้วอย่างเงี้ยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่เข้าใจว่าจะพูดกันมากแล้วก็พยายามหาคามินทางศาสนามากเนี่ยเขาเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าการวิจัยทางด้าน เ, าเซลล์ต้นต่อนะครับเซลล์ต้นตอ น, นี่ก็เป็นเซลล์ซึ่ง เ, เป็นเซลล์ของตัวอ่อนมนุษย์นะครับซึ่งเชื่อกันว่าตั้งแต่สมัยผสมผสมใหม่ๆเนี่ยจะมาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ได้ แต่ว่ามีคําถามว่าถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยพ อ, อามาใช้ประโยชน์หรื อ, อามาวิจัยเนี่ยตัวอ่อนก็จะต้องตายไปนีก็มีการเถียงกันทางคริสก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นการฆ่าชีวิตนะครับก็มีคนเถียงกันว่าไม่แน่หรอกชีวิตมันไม่ได้เกิดตั้งแต่ผสมพันธุ์ในอะไรเงี้ยนะครับมันเกิดเมื่อกี่วันก็แล้วแต่หลังจากผสมแล้ว อ, อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสักสองตัวอย่างซึ่งมีการคุยกันมากเกี่ยวกับว่ า, วาแล้วทางศาสนาเนี่ยมองเรื่องอย่างนี้ว่าอย่างไง นะครับไม่นับอีกตั้งหลายๆเรื่องส่งกระทบสังคมโดยรวมนะครับซึ่งอาจจะง่ายกว่าเช่ น, นพอมีความรู้แล้วพอรู้ว่าคนคนนี้มีพันธุกรรมอย่างนี้อย่างโน้นแล้วเนี่ยในจ้างก็จะไม่จ้างงานบริษัทประกันก็จะขึ้นเบีย้ยประกันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้นก็เป็นตัวอย่างของเรื่องที่เกี่ยวเกี่ยวพันกันผมก็เลยเรียนปรึกษาทั้งทีที่ทํางานกันนะครับว่าถ้าเราตรวจสอบความรู้ในโลกเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทั้งอิสลามกับทั้งคริสตเนี่ย เขาจะมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างจะมากเพื่อจะคล้ายๆตีประเด็นต่ตางๆนนที่เกี่ยวข้อง mm. นะครับแล้วก็ออกมาว่าศาสนาเขาว่าอย่างไรนะครับทีนี้ทางพุทธเราเองเนี่ยทางเมืองไทยเราพยายามเดยวเชื้อเชิญแล้วก็ชักชวนคนที่คิดว่าศึกษาเรื่องศาสนาพุทธนี่ให้มาพูดคุยกันว่าทางพุทธมองเรื่องเหล่านี้ว่าอย่างไรเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีต้องเรียกว่าไม่ค่อยมีเออ reference ที่ชัดเจนเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะพูดกันตามความเห็นหรือการตีความส่วนตัวผมก็เลยปรึกษาอาจารย์สุมาลีว่าจะกลณอาจารย์สุมาลีเนี่ยในฐานะเป็นผู้เป็นแพทย์ด้วยแล้วก็รู้เรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็รู้เรื่องศาสนาด้วยเนี่ยให้มาลองช่วยศึกษาหรือสรุปรูปรวมพวกนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าทางนั้นเนี่ยให้มาลบกลัวที่คุณถ้าอาจารย์ให้ให้เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อจะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับ อันนั้นคงเป็นที่มาที่ทําให้ชักชวนจะมารบกวนท่านอาจารย์บันนีไปทราบอาจารย์สมารีเพิ่มเติมไหมครับเรื่องก็มีปัญหาที่อาจารย์สมศัก์ว่าค right? <c roy ances> ่ะเพราะว่ามันก็จะลงไปว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่ของมนุษย์นี้ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็การทําลายตัวอ่อนถือว่าทําลายชีวิตหรือไม่และบาปไหมและยังมีผลกระทบสําหรับการโคลนนิ่งอะไรต่างๆ ด่าสังคมโดยรวมด้วยคอาารย์มาเริ่มตอบเลยนะเลยว่มมาคือเรื่องนี้มันก็มีข้อพิจารณาหลายอย่างแล้วก็หลายแง่หลายคันนี่อยากจะพูดวงกว้างก่อนก่อนที่จะมาพูดเจาะเฉพาะจุดว่าชีวิตเริ่มอะไรเป็นต้น คือเริ่มตั้งแต่ความหมายของคำ ว, ว่าจริยธรรมเท่าที่ได้ยินเนี่ยคิดว่าความหมายของจริยธรรมที่มองกันเร็มากเป็นความหมายแบบตะวันตกทีนี้ถ้ามองแบบพุทธศาสนาเนี่ยจริยธรรมมันก็ประโยชน์ที่ธรรมชาติความจริงตามธรรมชาติาต้องเทียบกันหน่อย จริยธรรมที่เข้าใจกันเลยมากเนี่ยมองคล้ายๆเป็นอะไรสําเร็จหรือเป็นบัญญัติเป็นคําสั่งคําบัญชาอะไรลงมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าว่าที่จริงจริยธรรมมันก็คือการที่มนุษย์ดําเนินชีวิตหรือปฏิบัติการอะไรสักอย่างแล้วจะมีผลดีผลร้ายอย่างไรนี่ก็โดยสัมพันธ์กับความจริงของธรรมชาติคือว่าเราทําอะไรไป มันถูกต้องตามหลักความจริงตามเหตุปัจจัยให้เกิดผลดีเราก็เรียกว่าเป็นจริยธรรมหมายถึงว่าการปฏิบัติที่ดีหรือการดำเนินชีวิตที่ดีนี่ถ้าหากว่าทำไปแล้วมันขัดมันเป็นไปตามกฎความจริงของธรรมชาติเช่นทำเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดผลไม่ดีมันก็ก็เป็นความจริงตามธรรมชาตินั่นแหละแต่เราเรียกว่าเป็นเสียจริยธรรมเพราะว่ามองในแง่สัมพันธ์กับมนุษย์ ที่วจนะธรรมก็คือความจริงของธรรมชาติที่มาสัมพันธ์กับมนุษย์นั่นเองถ้าอย่างนี้เราก็จะได้มองอะไรกว้างขึ้นว่าเออที่เราจะทําอะไรกันนี่ทําแล้วมันเป็นฝีมือหรือการกระทําของมนุษย์เนี่ยที่ออกไปแล้วมันเกิดผลดีผลร้ายอย่างไรซึ่งสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยในธรรมชาติหรความจริงของธรรมชาติอันนี้ก็แง่หนึ่งทีนี้อีกแง่หนึ่งก็คือเรื่องของ การมองความจริงนั่นเองอันนี้เมื่อกี้ว่าจริยธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติของมนุษย์ในท่ามกลางสภาพความเป็นจริงหรือต่อความจริงที่มีอยู่ทีนี้ตัวความจริงเองก็เป็นเรื่องความจริงควาเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติเช่นเป็นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยอะไรต่างๆที่มันต่อเนื่องกันไปอันนี้ ไอ้เรื่องเหตุปัจจัยได้เป็นเรื่องใหญ่อันหนึ่งทึ่พุทธศาสนาคิดว่ามีหลักที่จะต้องเตือนกันกบางทีเราก็ไม่เคยพูดถึงหลักพุทธศาสนาข้อนี้คือท่านเรียกลัทธิอันหนึ่งว่าเป็นลัทธิที่ผิดเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกไปภาษาพระว่าเอเกะการานาวะคือลัทธิเหตุเดียวผลเดียวหมายความว่าเรานึกว่า อ, อผลเกิดจากเหตุมันมีเหตุแล้วก็ทําเหตุนี้เกิดผลคนมักจะมองไปแค่นี้อ๋อผลอันนี้ท่เราต้องการทําอะไรให้ได้ผลเราก็มองว่าเหตุเข้าเมืคืออะไรแล้วก็ทําเหตุนั้นก็ได้ผลอันนี้ <Yeah. S 1> หรือว่าดูที่เหตุว่าสืบจากเหตุนี้จะไปเกิดผลอะไรอันนี้ถ้านถือว่าเป็นลัทธิที่ผิดเรียกว่าเอกาการานาวะอันนี้ความจริงถ้าบอกว่าทัดสรุป พูดแบบสรุปก็คือบอกว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอันเดียหมายความว่าจากสิ่งที่เรียกว่าเหตุอันเดียวเนี่ยที่มันท่านใช้คํากว้างๆ ว, ว่าเหตุปัจจัยจากปรากฏการณ์หรือการกระทําอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยมันส่งผลเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่ผลหลายอย่างเนี่ย ปัจจัยตัวเดียวเนี่ยส่งผลหลายอย่างพร้อมกันแล้วผลอันเดียวก็เกิดจากปัจจัยอนเนกหลายอย่างนะเช่นอย่างต้นมะม่วงนี่เกิดจากปัจจัยต่างๆพรั่งพร้อมคนว่าจะานึกว่าเกิดจากเม็ดมะม่วงนะหรือจะใช้วิธีตอนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่จริงก็คือเฉพาะเม็ดมะม่วงอย่างเดียวนะัมันเกิด เป็นต้นมะม่วงไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวปัจจัยสำคัญปัจจัยหลักแต่ว่าต้องมีปัจจัยอื่นพรังพร้อมมีดินมีน้ำมีปุ๋ยมีอุณหภูมิมีแก๊สไหลที่มันถูกต้องพอเหมาะพอดีแล้วก็เกิดผลขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อมองเหตุเดียวผลเดียวนี้ก็จะทาให้ หนึ่งทำการอะไรนี่อาจจะผิดพลาดไม่ได้ผลดีบางทีไม่ได้ผลบางทีไม่ได้ผลดีสองเกิดผลข้างเคียงต่างๆที่ตัวเองไม่ได้ทันดูไม่ได้ทันเห็นนะแล้วก็ทำการไม่รอบครอบตกอยู่ในความประมาทนะอันนี้จะทำให้ไม่ประมาทมนุษย์จะต้องมีความไม่ประมาทมากโดยเฉพาะข้อนี้คือผลหลักหลายจากปัจจัยอันนี้ เราต้องการผลอันเนี้ยเราก็ไปทําเหตุนึกว่าเออทำอันนี้เหตุเนี้ยมันจะได้ผลตรงอันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ทําไปเนี้ยที่จริงมันส่งผลไปอย่างอื่นในระบบความสัมพันธ์เนี้ยไปอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยกระทบอะไรแต่อะไรกว่าจะรู้ตัวบางทีอีกตั้งยี่สิสามสิบปีอันนี้นก็อันนี้เป็นข้อเตือนใจอันหนึ่งสําหรับนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องไม่ประมาทเรามีความรู้เข้าใจเพียงพอแค่ไหนในระบบความสัมพันธ์่งเหตุปัจจัยอันเนี้ย เรานึกว่าอันเนี้ยเราเลือกแล้วดีแช่ว่าไอ้เรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องการคัดผ่านคัดผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามองเฉพาะผลที่เราต้องการแล้วเราก็เอาว่าไอ้เหตุอะไรปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้เกิดผลนี้แล้วมันได้ผลที่ต้องการอันนี้เราก็เอาละแล้วเราก็ไม่ได้ดูว่าไอ้ตัวปัจจัยที่เราทําลงไปเนี่ยนอกจากส่งผลมาให้ได้ผลที่เราต้องการเนี่ย มันส่งผลกระทบไปยังอะไรอื่นอีกบ้างนในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาตินั้นอันนี้ธรรมชาตววาเป็นเรื่องใหญ่จุดอ่อนของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังอยู่ที่นี่คือยังไม่สามารถรู้เข้าใจได้ทั่วถึงว่าปัจจัยต่างๆที่ตัวทำขึ้นเนี่ยที่ตัวเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันเนี่ยมันก่อให้เกิดผลหรือส่งผลกระทบไปยังอะไรอีกบ้าง เนี่ยมันได้แค่ไอตัวผลที่ตัวต้องการอันเดียวนี่แหละนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถจะมีความภูมิใจได้จริงนะเลยไม่ได้เด็ดขาดเลยอันเนี้ยนะครับไปภูมิใจว่ากำลังชนะธรรมชาติเปล่าไม่ได้ชนะธรรมชาติหนึ่งรู้ธรรมชาติก็ยังไม่พอสอง ก็คือไม่ได้ชนะธรรมชาติจริงการกระทาต่างๆที่เราเรียกว่าชนะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ชนะเราต้องพูดใหม่มันเป็นเพียงการพูดโดยหลงตัวเองความจริงต้องถ่อมตัวบ้างความจริงก็คือเราเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติได้แค่ไหนแล้วเราก็เอานามาใช้ประโยชน์โดยวิธีเรียนแบบบ้างอะไรบ้าง ก็ที่ทํากันเนี่ยแม้แต่เรื่องคโคลนนิ่งเรื่องอะไรมันก็เป็นการเรียนรู้จากความจริงธรรมชาติแล้วเอามาใช้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราไปทําอะไรดีเดกหรือว่าแปลกใหม่จริงๆเป็นแต่เพียงว่าไอ้กระบวนการของธรรมชาติที่เคยเป็นมาน่ะเหตุปัจจัยของมันเนี่ยมันยังมาในกระบวนการกระแสมันไปเท่านี้มันก็มีอย่างนี้เรามีตัวปัจจัยเพิ่มเข้าไปคือปัจจัยฝ่ายมนุษย์เจ้ามนุษย์นี่มีปัญญามีเจตนาก็เอาไอ้เจ้า ปัญญากระเจตนาที่เป็นปัจจัยอันหนึ่งในธรรมชาติเนี่ยเข้าไป ร, ร่วมกระบวนการนั้นก็ไปสร้างเหตุปัจจัยไปพลอยเป็นปัจจัยเสริมแล้วก็ทําให้เกิดระบบเหตุปัจจัยที่มีองค์ประกอบเพิ่มใหม่แล้วก็เกิดผลอย่างใหม่ขึ้นมามันก็เท่านี้เองมันไม่ได้มีอะไรผิดธรรมชาติ <c oughs> เนีนมันเป็นเพียงธรรมชาติที่มีตัวมนุษย์นี่เป็นปัจจัยเพิ่มเข้าไปแล้วปัจจัยตัวเนี้ย เป็นปัจจัยที่ว่าถ้ามันเกิดบกพร่องขึ้นมาแล้วมันจะเกิดตัวร้ายมากมายทีเดียวดันะั้นอันนี้จะเป็นข้อที่ทําให้มนุษย์จะต้องไม่ประมาทหนึ่งจะต้องไม่ประมาทในการศึกษาต้องเรียนรู้เรื่องเหตุปัจจัยเนี่ยเรื่องการส่งผลกระทบของปัจจัยต่างๆในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติเนี่ยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้ต้องถ่อมตัวมากเพราะแทบยังไม่มีทางเลยว่าจะ รู้ได้สมบูรณนะ์นั่นอันนี้เป็นตัวที่สร้างหรือเป็นตัวสร้างขีดจํากัดให้แก่วิทยาศาสตร์ตลอดเวลาเลยว่าจะทําอะไรแล้วเนี่ยไม่สามารถจะมีความมั่นใจได้สมบูรณ์อันนี้จริยธรรมก็เข้ามาเกี่ยวตรงเนี้ยก็ถือว่าแล้วทําไงมนุษย์อยู่ในโลกนี้จะเป็นเป็นผู้เลือกปฏิบัติการแล้วก็โยงไปหา หลักอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือหลักที่ว่าโลกนี้เป็นไปตามกรรมหมายความสังคมมนุษย์หรือโลกมนุษย์เนี่ยเป็นไปตามการกระทาที่ประกอบด้วยเจตจำนงของมนุษย์มนุษย์มีความรู้เข้าใจอะไรแล้วก็ทำไปตามเจตจำนงนั้นมีความตั้งใจมุ่งมา่ปรารถนาอะไรก็ทำไปแล้วสังคมหรือโลกมนุษย์นี้มันก็เป็นไปตามการกระทาของมนุษย์นั้น โดยเฉพาะที่ว่าเมื่อเห็นชอบร่วมกันมากๆมันก็กลายเป็นในเรื่องของระบบของกรรมไปเนี่ที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่า ง, งา น, นั้นนี้ก็อารยธรรมมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาก็เป็นผลจากกรรมของมนุษย์นี้ก็โลกเป็นไปตามกรรมเมื่อโลกเป็นไปตามกรรมก็คือความเป็นไปของโลกมนุษย์นี้เป็นผลจากการการะทําของมนุษย์มนุษย์จะต้องมีความรับผิดชอบจะ ส, สร้างสรรค์สำนึกในความรับผิดชอบให้สูงว่ามนุษย์ทําไปแล้วเนี่ยเป็นผู้บันดาลโลกโลกนี้มนุษย์เป็นผู้บันดาล เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้สร้างโลกบรรดาลโลกจะต้องมาคิดกันให้ดีทำให้รอบคอบอันนี้ก็เป็นข้อที่ทำให้ต้องมีความรับผิดชอบสูงอีกอันหนึ่งเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้ามาใช้วิธีคโคลนยิงบ้างอะไรบ้างเนี่ยต่อไปก็คือเรากำลังบรรดาลโลกให้เป็นไปอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญทีนี้ว่าในเมื่อมนุษย์เนี่ย เป็นผู้มีเจตจำนงและเป็นผู้เลือกตัดสินใจที่จะกระทํากรรมก็คือเจตจำนงก็เนี่ยแหละเป็นตัวกรรมก็คือการเลือกว่าจะเอาอย่างไรจะทําอะไรทีนี้การเลือกแค่ไหนได้แค่ไหนมันขึ้นตอนหนึ่งปัญญาความรู้เข้าใจเช่นรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติแค่ไหนสองตัวเจตจำนงนั้นเองเจตนานะประกอบด้วยแรงจูงใจดีร้ายเนะีเช่นมีความโลภความปรารถนาเห็นกก่นตนแล้วมีความอยาก ใหญ่อยากมีชื่อเสียงเป็นต้นน่อันนี้เป็นตัวสำคัญมากที่จะต้องระวังก็เมื่อกี้เราเรามองในวงกว้างทีนี้มองในวงแคบก็มามองที่ตัวบุคคลแต่ละคนเนี่ยที่มีเจต จ, จำนงซึ่งจะเข้าเป็นส่วนร่วมในกระบวนการของกรรมเนี่ยว่าที่จริงนั้นเพื่อจะให้ได้ผลดีต้องใช้ปัญญา รู้ความจริงแล้วก็ทำเพื่อผลดีที่สุดก็คือต้องมีเจตนาดีเช่นว่าเจตนาดีต่อมนุษยชาติมีเมตตาหวังดีต่อเพื่อนมนุษยต่อโลกนี้ให้อยู่เป็นสันติสุขให้พ้นจากความบกพร่องปัญหาต่างๆต้องมีเจตนาที่ดีเราหวังและเรามองแล้วเราก็บอกกันว่าเอาไอตัวเจตนาดีนี้มาบอกเอามาบอกเป็นตัวประกาศแต่ว่า ไอ้แค่ปัญญาที่รู้ความจริงธรรมชาติรู้เหตุปัจจัยทั่วถึงนี่เราก็ยังบกพร่องแหละสองเรายังมามีปัญหากับเจตนาเขาบุคคลอีกเพราะฉะนั้นจะต้องระวังมากการกระทําเรื่องนี้บางทีบางครั้งเนี่ยทั้งๆ ท, ที่นักวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่รู้ปัจจัยต่างๆเพียงพอแต่ได้ความเห็นแก่ว่าบางทีผลประโยชน์บางอย่างหรือบางทีเห็นแก่ชื่อเสียงนะความยิ่งใหญ่นะถ้าเรียกว่าตันหามันะใช่ไหม ก็ทําให้ตัดสินใจทําอันนี้ไปเพื่อให้ดูได้ชื่อเสียงบ้างเป็นต้นอะไรเงี้ยทั้งๆที่มันยังไม่รู้รอบครอบเด็ดขาดอันนี้ก็กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้ปัญหาจริยธรรมนี่ก็คือความจริงตามธรรมดาของะระบบเหตุปัจจัยทั้งหลายนี่แหละว่ามนุษย์จะต้องเป็นผู้เลือกกระทำแล้วก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ้ความเป็นไปของโลกเนี่ยและการตัดสินใจของมนุษย์การเลือกกระทำเนี่ยจะเลือกได้อย่างไรนะ ก็คือเลือกที่ว่าเนี่ยเลือกด้วยปัญญาและเจตนาแค่ไหนก็จะต้องจำเรื่องหนึ่งปัญญาความรู้เข้าใจที่ถึงความจริงทองแท้ชัดเจนที่สุดสองก็เจตนาที่บริสุทธิ์มีความหวังดีปรารถนาะดีมีเมตตาธรรมที่แท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์ต่อโลกนี้ไม่ใช่มีความหวังผลประโยชน์ส่วนตัวเลยะอะไรเป็นต้นเรเรียกว่า ไอเนี่ยสองตัวเนี่ยเราก็ยังไม่มีความปลอดภัยเท่าไหร่เลยเนีเอาละทีนี้เป็นอ่านว่ามนุษย์จะต้องเป็นผู้เลือกแล้วก็เลือกด้วยเนี่ยปัญญากับเจตนาอีนนีทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลักการทั่วไปในทางพุทธศาสนาท่านพูดไว้ง่ายๆก็คือเรื่องตามความเป็นจริงธรรมชาติเนี่ย ว่าเราทําอะไรให้แล้วกุศลธรรมจเจริญอกุศลธรรมจะเสื่อมอันนี้ไม่ดีแล้วทําอะไรไปแล้วอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมจเจริญ น, นี่ดีแหมมันกว้างนั่นเลยพรทีนี้ก็ลองคิดดูเมื่อเราทําอันเนี้แล้วมาทําให้กุศลคําว่ากุศลเนี่ยมันก็กว้างหมายถึงสภาวะที่มันเกื้อกูลที่มันเป็นประโยชน์แท้ จ, จริงอะไรเนี่ยนันเลยพรมันดีงาม นะถ้ามันเป็นอกุศลมันก็ไม่คือกูลมันก็ไม่ดีงามมันไม่เป็นประโยชน์แท้จริงเนะนี่นี่เวลามนุษย์ทาอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถจะให้ดีร้อยเปอร์เซ็นตหรือรายร้อยเปอร์เซ็นตะนี่ยก็มักจะมีว่าได้มากเสียน้อยได้น้อยเสียมากอะไรเนี่ยเนะี่ย หรือประโยชน์มากประโยชน์น้อยต้องเป็นการเลือกเอานี่แหละจึงไอ้การมีเจตนาเจตจำนงหรือการเลือกของมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการกระทำของมนุษย์เนี่ยมันยากมันไม่สามารถจะให้ได้แบบผลแบบได้ไปครั้งเดียวดีเต็มร้อยเสียเต็มร้อยเลยอนี่ก็อย่างเรื่องที่เราเรียกกับาบุญก็เช่นเดียวกันมันก็จะมักจะมีการตัดสินใจว่าจะเอาบาปมากหรือบาปน้อย ให้บาปน้อยบุญมากอหรือบาปมากบุญน้อยใช่ไหมท่านพ่อ้นนี้เพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยจึงมีพุทธภาษิตเช่นบอกว่าเมื่อเห็นแก่ประโยชน์ใหญ่ให้ยอมสละประโยชน์น้อยมนุษย์มันก็จะมักจะได้แค่นี้ยแล้วมันก็กลับไปสัมพันธ์กับที่พูดมาแล้วก็คือว่าการที่จะได้ประโยชน์มาก แล้วก็เสียน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่ปัญญาที่รู้เข้าใจชัดเจนนั่นเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเป็นฐานใหญ่แล้วก็มาโยงกับเรื่องของเจตนาเจตนาเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่ทําไงก็เลยต้องฝึกคนให้การศึกษาซึ่งมันจะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งปัญญาและเจตนานีก็หมายความว่าการศึกษาจะต้องฝึกพัฒนาคนทั้งด้านปัญญาทั้งด้านเจต จ, จำนงหรือเจตนานี้อันนี้การที่จะให้ได้เจตนา ดีเนี่ยบางทีในยุคสมัยบางยุคมันก็ขึ้นต่อสภาพไปลอมทึงบางทียากเหมือนกันนะอย่างในยุคนี้ก็เป็นยุคที่เราเรียกว่ายุคธุรกิจนะไอ้เรื่องด้านโลภความโลภนี่มันจะเป็นตัวใหญ่เนีในบางยุคมันก็จะโทสะแรงเ <c oughs> ช่นว่าอ่ามันคิดขึ้นมาเพื่อจะสร้างให้ดีแก่ตัวแต่ว่ามันคิดจะข่มเพื่อทําร้าย ไปครอบงําอะไรอีกพวกหนึ่งอะไรงี้เป็นต้ น, นใช่เราอาจจะสร้างมนุษย์โคลนขึ้นมานเพื่อให้พวกเราใหญ่แล้วจะได้ไปลบชนะพวกโน้นใช่ไหมล่ะมันก็เป็นการที่เรามีโทสะแฝงอยู่มันไม่ได้คิดดีแท้ๆว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่แท้จริงทีนี้อาการที่จะเห็นแก่มนุษยชาติแท้จริงเนี่ยบางทีเราก็เห็นแต่สังคมมนุษย์เราก็ไม่ได้มองระบบธรรมชาติ สมัยหนึ่งเราก็นึกว่าจะเอาดีแกสังคมมนุษย์ใช่ไหมเสร็จแล้วปรากฏอะไรยาวมันกลายไปว่าเออมนุษย์จะเอาดีฝ่ายเดียวตัวได้ประโยชน์ไม่คํานึงถึงระบบนิเวศ ท, ทั้งหมดเสร็จแล้วไปทําอะไรขึ้นมาก็ไปมีผลกระทบต่อระบบนิเวศไปเสียแกธรรมชาติแวดล้อมธรรมชาติแวดล้อมเสียแล้วกลับมามีผลต่อตัวเองพอเห็นแกตัวนั่นแหละจึงได้หยุดใช่ไหมพอเห็นกับตัวว่าพวกตัวนี่จะแย่แทานที่จะไปเห็นแก่ระบบนิเวศ ท, ทั้งหมดแกสัตว์ทั้งหลายอื่นแก่ชีวิตอื่นพืชพันธุ ไม่ได้เห็นกับมันหรอกไอ้ที่ไปรักษาธรรมชาติเนี่ยใช่ไหอทีนี้ทําไงจะให้มนุษย์เนี่ยมีใจกว้างเห็นแก่ไอความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งโลกอยู่กันมีความสงบสุขร่มเย็นมันไม่ค่อยได้ได้นะแม้แต่คิดเรื่องเหล่าเนี้มันก็คิดเพื่อตัวเพื่อตัวเพื่อตั ว, ตวสมมานะแม้แต่จะไปรักษาเขาก็เพราะว่ามันถูกบังคับใ ห, ให้รักษาตัวน่ พราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาการฝึกมนุษย์เนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่นี้แม้แต่เจตจํานงเนี่ยบางทีเราก็มองไม่ออกเราโนก็เจตจานงดีแล้วที่จริงมันไม่ดีจริงเนี่ยอันนี้ตมาก็เลยว่าไปเสยาวนี่พิมพ์พูดกว้างๆนั่นเลยบอกแปลว่าหลักใหญ่ก็มีอันหนึ่งที่ว่าทําอะไรไปแล้วกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมก็ดีถ้าทําไปแล้วอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมไม่ดี และการมนุษย์ก็ต้องเลือกเอาเรื่องของที่เรียกว่าประโยชน์มากประโยชน์น้อยเลยพอนไม่เป็นไรเลยพอท่านพักไปแล้วเดี๋ยวสุดเลยเ <laughs> ต้องว่ากันไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีเเรื่อง <laughs> ใกุหมร เ, เรื่องเรื่องชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่ใช่ไหมที่อาจารย์สมศักดิ์อยากจะทราบเพื่อจะไปนำไปเป็นแนวทางคือชีวิต ของพุทธศาสนาา ต, ตมาว่าง่ายนะเมื่อมีองค์ประกอบสามด้านที่ท่านเรียกเป็นภาษาพระก็องค์ประกอบฝ่ายวิดาองค์ประกอบฝ่ายมารดานะแล้วก็มารดาอยู่ในภาวะที่เอื้ออำนวยแกเรียกว่าไข่สุกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีสัตว์เกิดอันนี้อันนี้ก็ถือเอาหลักว่าเมื่อ มันมีปฏิสนธิก็ปฏิสนธินั้นนะ่ะสัตว์จะปฏิสนธิได้ต้องอาศัยความพร้อมของปัจจัยฝ่ายบิดามารดาเมื่อฝ่ายบิดามารดาพร้อมก็สัตว์ก็เกิดได้มันก็เลยเกิดได้เลยเลยพอเพราะนั้นก็ก็เลยตั้งต้นพร้อมกันนั่นแหละก็เส่าปฏิสนธิเริ่มเลยโดยไม่ต้องมารอมาคิดกำหนด กันดิไม่ใช่อีกลำบาตลงชีวิตก็เริ่มต้นเมื่อปฏิสนธิเลยค่ะเรือพอนี่ปฏิสนธิท่านก็เรียกว่าเป็นทางจิตทนเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณและที่บางคนบอกว่าเคยได้ยินคนพูดว่าทางพุทธเนี่ยบอกว่าปฏิสนธิได้โทษชีวิตเริ่มเมื่อหลังปฏิสนธิแล้วสองสัปดาห์เนี่ยอันนี้เป็นทางพุทธหรอือเปล่าค่ะไม่มีคําบอกอย่างนั้นเลยเลยพอนี่คือถ้า ถ้าจะมีได้ก็คือหนึ่งมีองค์ประกอบฝ่ายบิดามารดาพร้อมแล้วก็มีปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยวิญญาณมาปฏิสนธิซึ่งถ้าแบบนี้ก็หมายความว่าพอพร้อมแล้วก็มาไหลกันมไก็ได้อย่างนี้เราจะไปกำหนดตายตัวไม่ได้แล้วเพราะว่าองค์ประกอบฝ่ายปัจจัยฝ่ายบิดามารดาพร้อมให้แล้ว แต่ว่าโดยปกติก็ถือว่าพร้อมกันเลยเพราะว่าในในทางวินัยนี่จะต้องมีเครื่องตัดสินเพราะฉะนั้นท่านก็เอาเลยถ้าพิสูุไปทำลายปั๊บก็ภิสูุนนั่นก็เป็นประราชิกเลยคืออันนี้เป็นการสอดคล้องกันระหว่างฝ่ายธรรมะกับฝ่ายวินัยฝ่ายวินัยจะต้องมีตัวตนรูปธรรมที่กำหนดได้ชัดเพราะฉะนั้นก็เถียงก็ตายเพราะฉะนั้นก็เอาไปว่าเมื่อมี การผสมพันธุ์แล้วเนี่ยก็แปลว่าเกิดเป็นตัวขึ้นแล้วก็ปฏิสนธิพร้อมเลยเรื่องนี้ก็นับจากนั้นมาเลยก็แปลว่านับแต่นั้นเลยรค<ม>ับมีคนพูดถึงเรื่องวิญญาณด้วยเนี่ยไม่ทราบตรงนี้ในทางพุทธศาสนานี่มีการพูดเรื่องนี้กันชัดเจนจริงๆังยังไงครับว่าหลังปฏิสนธิจะถือว่าเป็นชีวิตก็ต่อเมื่อมีวิญญาณมาอยู่ด้วยหรือว่าสองอย่างนี้แยกกันยังไง นี่แหละเลยพอลก็คือตอนที่ว่าองค์ประกอบฝ่ายบิดามารดาพร้อมนะแล้วก็ที่ว่านี่ก็คือวิญญาณที่ว่ามาปฏิสนธิท่านใช้คําว่าสัตว์มาปฏิสนธิสัตว์ในที่นี้ท่านใช้คําว่าขันทภะแต่ว่ามันเพียงเป็นเพียงสัตว์จะต้องบางทีก็ไปเที่ยวหารากอะไรกันแต่ว่ารวมพูดง่ายๆแล้วก็คือสัตว์ที่มาเกิดแล้ถ้าเรียกเป็นภาษา เอาหลักก็เป็นวิญญาณก็ถือวิญญาณมาปฏิสนธิจึงเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณตั้งแต่บัดนั้นตรงนี้คําว่าปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยหมายถึงอะไรและคําว่าวิญญาณในที่นี้เนี่ยมันมีความหมายยังไงแค่ไหนแล้ว อ, อ, อย่างของสัตว์เนี่ยเป็นปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณด้วยไหมคะทั้งนั้นเล ย, เลยคือปฏิสนธิแปลว่าต่อ แล้ววิญญาณก็วิญญาณวิญญาณปฏิสนธิก็วิญญาณที่มาตอบพบวิญญาณในที่นี้ก็ไม่ใช่วิญญาณในความหมายของผีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับมันเป็นคาละอันกันเราที่เป็นอยู่ตลอดเลาเป็นจิตใช่ไหมคะเลยบอกก็คือบางทีท่านก็เรียกว่าปฏิสนธิจิตบางทีก็เรียกปฏิสนธิวิญญาณคือเป็นสัพท์ที่ alternative เทอมใช้แทนกันได้แลาะตามความเข้าใจเนี่ยความว่าคําว่าวิญญาณในทางพุทธกับคําว่าวิญญาณในทางคลิปเนี่ย ไม่ได้ความหมายตรงกันใช่าคคือเราเองไปใช้สับผิดเพราะว่าวิญญาณ น, นั้นในพุทธศาสนาก็หมายถึงสภาวะที่รู้ที่รู้ต่อสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นสภาวะที่รู้นั่นเองแต่นี้ต่อมาเราใช้คาว่าวิญญาณ น, นี้มาเรียกอะไรต่ อ, อะไรไปเป็นผีเป็นสางคือมันค่อยๆเพี้ยนนะ และเลยพอแปลฝรั่งเอาคำว่าโซนมาแปลเราก็เอาคำว่าวิญญาณสวมเข้าไปเนี่ยซึ่งในประเทศอื่นในวงการพุทธศาสนาเขาไม่แปลโซนวิญญาณอย่างไทยอันนี้ก็หมายความเป็นเรื่องของคนไทยเองที่ไปใช้ศัพท์นี้วิญญาณก็แปลโดยมากเขาก็จะแปลเป็น consciousness เลยแปลจิตแปลวิญญาณถ้าแปลง่ายๆกับเราหมายถ้าแปลเป็นเอาศัพท์ เพื่อจะได้มองเป็นนามธรรมที่เป็นสภาวะมากขึ้นก็เรียกเป็น consciousness อันนี้ที่แปลโซนเป็นวิญญาณก็เป็นเรื่องของคนไทยแปลนี่ถ้าแปลในวงการของพุทธศาสนาเราจะแปลว่าโซนโซนนั้นแปลว่าอัตตมันหรืออัตตาโซนนี่อะไรเลยบ่าแปลว่าอัตตมัน ท่า น, นั้นก็ต้องแยกความหมายของคําที่ใช้ในภาษาไทยกับคําเดิมที่เป็นจะเรียกว่าเป็นเทคนิคัาเทอมทางพุทธศาสนาถ้าเป็นเทคนิคัารเทอมทางพุทธศาสนาก็วิญญาณก็จะมีความหมายเป็นสภาวะนามธรรมที่เป็นธาตุรู้ท่าเรียกว่าธาตุรู้ธาตุาก็มีความหมายเป็นนามธรรมก็ได้รูปธปรรมก็ได้เป็นสภาวะที่มันมีของมันเป็นอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติ ธาตุก็คือสภาวะที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาตินี่ยดำรงสภาวะของมันอยู่และจะเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ได้ก็เรียกว่าธาตุก็เพราะฉะนั้นบางทีเราก็เรียกว่าวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่ที่วิญญาณธาตุก็ก็มีอยู่ตลอดเวลาในมนุษย์เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีความรู้ถ้าไม่มีไอ้ตัวธาตุรู้อันนี้ก็เป็นมนุษย์อยู่ไม่ได้ ที น, นี้ธาตุรู้นี่มีอยู่ตลอดเวลาที น, นี้ก็เป็นกําหนดเรียกเวลามันทาหน้าที่ก็จะมีชื่อขยายเข้าไปข้างหน้าเช่นว่าถ้าเป็นในตัวสภาวะที่รู้ทางตาคือเห็นก็เรียกว่าจักขุวิญญาณถ้ารู้ทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณถ้ารู้ทางจมูกรู้อรู้กลิ่นก็เรียกว่าขานวิญญาณเป็นต้นเช่นทางอรู้ สิ่งที่เป็นไปในจิตใจของตัวเองก็เรียกว่ามโนวิญญาณแล้วก็ไอตัวธาตุรู้อันเนี้ยเนี่ยที่มันทําหน้าที่ในตอนที่เริ่มต้นในชาติพบหนึ่งหนึ่งเริ่มต้นกําเนิดในชาติเนี้ยเราก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณแค่นั่นเองเลยก็คือธาตุรู้หรือสภาวะที่รู้ที่เริ่มแรง ถือว่าความรู้อย่างมนุษย์เกิดแล้วความเป็นมนุษย์ก็คือเกิดตอนนั้นนะ่ะเมื่อเมื่อฝ่ายบิดามาดามาพร้อมและผสมเป็นตัวขึ้นมาก็ถือว่าปฏิสนธิวิญญาณก็เกิดขึ้นก็ถือว่าองค์ประกอบพร้อมและความเป็นมนุษย์ก็เริ่มเลยก็ถือว่านี่คือเริ่มความเป็นมนุษย์นั่นเองและตอนเนี้ถ้าหากว่าพระภิกษุไป ทำให้เขาฆ่าเช่นว่าไปให้ยาให้เขาแทงเนี่ยพระพิสุทธิ์นั้นก็มีความผิดเท่ากับฆ่ามนุษย์ <Yeah. S 3> พ่อับเคยมีคนพยายามจะตีความว่าคําว่าคันทับพระเนี่ยถ้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหมายถึงว่าตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยต้องไปฝังตัวในมดลูกทีนี้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นที่ทราบกันฮะ <Yeah. S 3> ว่าการปฏิสนธิโดยไข่กับ กับเชื่อตัวผู้เนี่ยเกิดขึ้นในท่อรังไข่ยังไม่ได้ไปฝังในมดลูกใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งถึงสิบสี่วันแล้วแต่ว่าผสมกันเร็วช้าขนาดไหนเพราะฉั้นก็จะมีคนตีความว่าเมื่อมันยังไม่ได้ฝังก็ยังไม่เกิดคันทัพระตอนผสมแล้วก็ยังไม่ถือว่าเป็นคันทัพระก็เลยมีการเถียงกันเรื่องช่วงเวลาอย่างนี้อยู่เนี่ยเอไม่ทราบว่าคุณพ่อจะมองการตีความอย่างนี้ว่าเป็นการ เรียงบาลีางไงหรือเปล่าก็เป็นการตีความแต่ว่าเป็นการตีความที่ไม่มีหลักฐานมาช่วยก็หมายความการตีความมันก็มีหลายแบบการตีความที่ดีก็คือมีหลักฐานอ้างอิงมาช่วยแต่หลักฐานนั้นอาจจะยังไม่ชัดแต่ว่ามีที่อ้างพอให้มาช่วยเสริมการตีความได้แต่นี้ในกรณีนี้มันไม่มีตัวช่วยหลักฐานมันไม่ให้แล้วก็ในทางวินัยนี้ท่านจะให้ถือความตีความข้างเคร่ง วินัยเขาถือตีความค้างเคร่งก็พนักการตีความค้ังเคร่งเช่นจะเอาผิดพระภิกษุก็ต้องเอาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเกิดเป็นตัวเลยเิระฉะนั้นมันก็หย่อนให้ใช่ไหมเลยก่อ น, นวินัยเขาตีความค้ังเคร่งทีงนี้ส่วนทางแพทย์ทางไรนะันก็ก็แล้วแต่คือว่าเราต้องเอาในแง่ของหลักก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปตัดสินใจว่าเราจะเอาแค่ไหน แค่ไม่เลยบอกพอย่างที่ว่าเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของการเลือกนด้วยเจตนาบนฐานของปัญญาถ้าซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องดีต้องถ่องแท้แล้วทําได้แค่ไหนก็บางทีก็ต้องเลือกเอาระหว่างประโยชน์มากประโยชน์น้อยบาปมากบาปน้อยหรือว่าบาปมากบาปน้อยบุญมากคือคือตรงนี้จะมีปัญหานิดหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าทางวิทยาศาสตร์หรือ <c oughs> ทางแพทย์เนี่ย ไปตีไม่ตีความข้างแคร่งรแต่ความเป็นจริงคือเป็นอย่างที่ตีความข้างแคร่งเนี่ ย, ยนั้นคนที่ไปทําก็จะเกิดเป็นบาปอ๋อบาปไม่บาปมันก็ไม่ได้อยู่ที่บัญญตัติมันอยู่ที่ตัวนั่นแท้มันก็เป็นบา ป, บาปเลยนะคน่ะมันก็เป็นบาปตามตามกฎบาปมันมีถ้าท่านต้องมีหลักอีกทีหนึ่งบาปก็มีเรียกว่าบาปมากน้อยเช่นไม้แต่ฆ่าคนก็บาปไม่เท่ากันใช่ไหมเลย อ้าวฆ่าคนโดยที่ว่าป้องกันตัวอย่างนี้เราถือว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายเนีแล้วไม่อยากจะฆ่าเขาได้ซ้ําอย่างนี้ก็บาปน้อยทีนี้ถ้าหากว่ามีความขั้งแค้นมีความชิงชังมีความมุ่งร้ายหมายขวัญวางแผนคิดการด้วยเจตนาอย่างแรงกล้าเพียรพยายามจะฆ่าเขาให้ได้อันนี้บาปมากเลยหรือว่าขึ้นต่อคุณความดีของ ผู้ที่ตนไปฆ่านั้นด้วยเพราะว่าถ้าผู้นั้นเป็นคนที่มีคุณความดีมีประโยชน์มากไปฆ่าก็บาปมากถ้าหากว่ามีประโยชน์น้อยหรือเป็นโทษก็ไปฆ่าก็บาปน้อยนี่ทีนี้เรื่องนี้มันก็มาอยู่ในเกณฑ์ในหลักการพิจารณาเหล่านี้นด้วยก็เหมือนอย่างที่แพทย์ต้องทำมาอยู่เรื่อยอย่างทดลองกษัตริย์เราก็มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมเรนบ มันก็อยู่ที่ว่าตัดสินใจน่ะมนุษย์หมายความว่าหลักของการดําเนินชีวิตมนุษย์มนุษย์นี่เคยใช้คําว่าเป็นภพของผู้ทำ ม, มหากรรม <c oughs> คือหมายความว่ามันอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วปะปนกันไปต้องเลือกเอาเนยทีนี้ก็มนุษย์เนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องใช้ปัญญาในการเลือกตัดสินใจว่า ทำด้วยปัญญาที่ดีที่สุดไม่ประมาทด้วยเจตนาที่ดีที่สุดแล้วพินาเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์มากกว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจตัดสินใจไปแล้วก็ต้องไม่ประมาทอีกต้องมาพิจาณว่าไอ้ที่ตัดสินใจไปแล้วนี่อาจจะพลาดก็ได้แล้วต้องมาพิจารณาหาความรู้หาปัญญาเพิ่มขึ้นเพื่อทําการครั้งต่อไปให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นก็ปรับปรุงพัฒนาต่อไปแต่ว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งมันก็ได้ว่าเราใช้ปัญญาอย่างเต็มที่ ของแท้ที่สุดเท่าที่จะรู้ได้แล้วค้นคว้าหาความจริงอย่างดีที่สุดแล้วสองทำด้วยเจตนาดีที่สุดแล้วพอถึงเวลามันก็ทําเป็นต้องทําก็ได้แค่ไหนแค่นั้นมนุษย์มันก็ได้อย่างเนี้ยเลยพอันนี้ก็ไอ้เรื่องอย่างที่ว่าทดลองกษัตริย์เนี่ก็คงจะต้องอ้างว่าเพราะว่าเราจะต้องมาช่วยชีวิตมนุษย์ใช่ไหมเลยพอซึ่งเป็นการทําบุญมากกว่าก็เลยยอมเสียสละไปทําบาปที่ไป ทำลายสัตว์ทั้งๆที่มันไม่ได้มันกัดมาทำลายเราเลยนตรงเนี้ก็<ล>จะมี บ, <อ>บางคนพอฟังอย่างนี้ก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมไปคือคล้ายๆบอกได้ยังไงอะว่าทําทํากับสัตว์บาปน้อยกับคนหรือทําบุญกับคนได้บุญมากกว่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าใครเป็นคนรู้ใครค น, คนทราบตรงนี้เลยบอแล้วมันมีความเป็นมาอย่างไงเวลาพูดอย่างนี้ก็จะมีคนกังขาอยู่เรื่อยๆ อันนี้คือจะว่าถึงในแง่หนึ่งเราก็เอามนุษย์เป็นหลักก็เพราะว่าเรามุ่งหมายการอยู่ร่วมกันได้ดีระหว่างมนุษย์ก่อนก็เหมือนกับว่าในขั้นหนึ่งก็เหมือนก็นยอมรับไปแล้วเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนอย่างมันเป็นเรื่องขึ้นต่อ เหมือนกับว่าสังคมตกลงกันก็ในระดับหนึ่งนั้นเลยก่อนี่ น, น, น่ยังไม่พูดถึงสภาวะพูดในระดับของสมมติก่อนอย่างพระภิกษุเนี่ยไปเอาไอ้อาหารของสัตว์เช่นว่าอะไรเหยื่อของสัตว์แย่งเหมือนกับแย่งสัตว์นั่นแหละเอาไปเนี่ยก็ไม่ได้ผิดศีลขาดในความเป็นพระภิกษุ แต่ถ้ไปเอาของของคนในขาดจากความเป็นพระภิกษุใช่ไหมลูกอันนี้นี่เป็นตัวอย่างเนี่ยการตีความอีกครั้งหนึ่งนะคะคืออย่างถ้าเผื่อสมมุติเราเชื่อว่าเราตีความข้างข้างเคร่งเนี่ยเราก็จะไม่ทําเพราะถือว่าทําแล้วเป็นบาสนี่สมมุติคนที่บางคนเนี่ยเข้าไปตีความาอย่างไม่เคร่งคือเช่นต้องปฏิสนธิแล้วสองอาทิตย์ ถึงจะถือว่ามีชีชวิตเริ่มต้นอย่างเนี้บางคนก็ต้องการที่จะทราบตรงนี้ให้ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจเขาคือถ้าเขาคิดว่ามันไม่บาปเขาก็จะทําถ้าคิดว่าชีวิตยังไม่เริ่มต้นโดยการตีความอย่างนี้เขาก็จะทําแต่ถ้าเขาคิดว่าการตีความนี้ผิดเขาก็จะไม่ทําเพราะว่ามันเป็นบาปอือีตรงเนี้ยเขาถ้าเผื่อว่าจริงๆและในปัจจุบันเนี่ยในทาง ส่วนรวมของแพทย์เนี่ยควรจะตีความอย่างไรควรจะตีความข้างข้างเคร่งหรือไม่เพื่อว่าเพราะว่าถ้าตรงนั้นถูกต้องเนี่ยแล้วไม่ไปทําตามนั้นก็ไปฆ่าเข้ามันก็จะเป็นบาปแน่นอนน่ใช่ไหมคะสมมุติบวกกับเจตนาเข้าไปด้ว ย, ยคืออันนี้ก็ต้องแยกเป็นสองอย่างหมายความว่า เป็นเรื่องของหลักความจริงความจริงที่จริงมันไม่ขึ้นต่อใครมันก็เป็นความจริงของมันอย่างนั้นเนี่ย่นี้อ้นี่ที่ว่าเป็นการตีความนี่เพราะเราไปพูดโดยไปยึดถือคนที่ไปตีความนั้นเป็นหลักเขาว่าเขาตีความเราก็เลยยอมพูดไว้ว่าตีความแต่ว่าถ้าว่าตามที่ทางพระ ถือกันมาเนี่ยไม่ได้ถือเป็นการตีความก็คือว่ายึดเป็นหลักไปเลยว่าพอเกิดผสมแล้วนก็ว่ามีสัตว์มาปฏิสนธิมีปฏิสนธิวิญญาณเริ่มเลยความเป็นมนุษย์ก็เริ่มเลยผมนะผมจะให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเพื่อเพื่ออาจจะได้ท่านช่วยในการตัดสินเนี่ยนะครับ คือในขนาดนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะทําได้ว่าเอามาปฏาิสนธิในหลอดแก้วเวแล้วขณะที่อยู่ในหลอดแก้วนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยหนึ่งเซลแล้วก็แบ่งไปเรื่อยๆสองสี่แปดไปเรื่อยๆ ว, วิธีการทําการทดลองนี้ก็คือว่าปล่อยให้แบ่งตัวไปเรื่อยๆแล้วถามคําถามว่าถึงจุดไหนถ้าเอาไปฝังตัวในรกแล้วเนี่ยในนอสตูกแล้วเนี่ยสัตว์จะรอด เป็นตัวเป็นตนเ พ, เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีความสามารถที่จะกลายเป็นชีวิตนั้นเนี่ ย, <ล>ยถือว่าไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์อาจจะตีความเข้าข้างตัวเองเบอกว่าถ้าสมมติว่าเซลล์ไปไม่ถึงสมมติว่าร้อยเซลเล์ไม่ถือว่ามีชีวิตเพราะว่าการทดลองชัดเจนเว่าเอาไฝังแล้วก็ไม่เกิดเป็นชีวิต เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะไปขอจากคุณพ่อแม่ผสมแต่เขาจะไม่เกินหนึ่งร้อยแต่เขาขอเซลล์นั้นไปใช้ตรงนี้มีประเด็นว่าเราจะตีความว่าไม่เป็นชีวิตถูกต้องหรือไม่เสื่ๆอๆ น, นี้เนี่ยค่อนข้างจะยากแต่ว่าการทดลองเนี่ยทําได้อแล้วประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เถียงกันมากเรืคับ ตัวอย่างที่จะเข้าใจได้ง่ายๆก็คือว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าการคุมกำเนิดการคุมกำเนิดวิธีหนึ่งก็คือการที่ใส่วัตถุเข้าไปในมดลูกแล้วทําให้ไข่ที่ผสมแล้วไม่ฝังตัวเอ ค, คือท่านคริสต์นี่ตัดเลยบอกว่าอย่างนี้เราก็ผิดแน่นะครับเอแต่ถ้าหากว่าเรามาดูเรื่องเจตนาเรามารู้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ คำจะเกิดความเรื่องชีวิตกลับไปที่เดิมอีกอว่าเมื่อไรละ่ะถึงเป็นจุดนั้นอันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็จะคิดในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งผมไม่น่าใจจะถูกหรือจะผิดยังไงคือชีวิตมันก็มีเป็นขั้นๆอีกในที่นี้ก็คือชีวิตมนุษย์ใช่ไหมลือบอมเพราะว่าไอตัวอ่อนตัวเซนที่ยังไม่ผสมมันก็เป็นชีวิตนะเลยเป็นชีวิตเหมือนกันแต่่าชีวิตมนุษย์ เราเราต้องจํากัดมาเป็นชีวิตมนุษย์ในเริ่มตอนไหนนี้แม้แต่ว่าที่ไม่ได้อยู่ในครันเของมารดาที่ไปใช้หลอดใช้อะไรก็เป็นการที่ว่าเอาความรู้จากเรื่องความจริงของธรรมชาติจะเอาบางส่วนของชีวิตเหลืออะไรไปก็แล้วแต่ก็คือมันไอธรรมชาติมันสามารถจะอยู่ขึ้นมนอย่างนั้นได้นั่นเองก็ไปทําเรียนแบบธรรมชาติหรือใช้ความรู้ในธรรมชาตินั้นไป สร้างสภาพไปล้อมไรให้มันอยู่ขอมันได้ทีนี้ว่าถ้าตามที่หลักทางชาวพุทธถือกันมาก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาในแง่ของแบบเซนผสมก่อนเซนผสมที่ว่ามีฝ่ายบิดาฝ่ายมารดาแล้วก็มีปฏิสนธิวิญญาณอันนี้ทาง พุทธศาสนา น, นี่ก็ถือกันมาแบบว่าพร้อมกันใช่หมล่ะองค์ประกอบสามอย่างนี้ก็พร้อมบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็ความเป็นมนุษย์ก็ตั้งต้นไปเลยและทีนี้อันนี้จะโยงไปหาเรื่องที่ว่าไม่ต้องใช้บิดามารดาเช่นว่ใช้คโคลนนิ่งเลยหรือเปล่าคโคลนนิ่งก็ในกรณีนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันอีก แต่มันก็คือธรรมชาติอย่างหนึง่งธรรมชาติทีนี้ชีวิตแบบนี้ชีวิตที่เป็นโคลนนิ่งอันเนี้ยน่มันมีองค์ประกอบฝ่ายมารดาบิดาที่มันมาอยู่ที่ตัวที่เราเอาไปเป็น secondary อีกทีใช่ไหมเลยปอนนะความว่าไอ้บิดามารดาก็มีอยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเอาตรง มาเอาต่อที่มันเป็นสำเร็จรูปนี้เป็น secondary แล้วก็ไปใช้แล้วก็ไปสร้างสภาพแวดล้อมให้ปฏิสนธิวิญญาณเกิดถ้าว่าตามนี้ก็คล้ายๆแบบนั้นเนเลยเรื่อยอยงพ่อแม่มีหมดแล้วนั่นสิว่ามีมีอยู่แล้วเนาะน่ะเรื่อยพรปฏิสนธิวิญญาณก็คือจุดที่เริ่มความเป็นมนุษย์ เพราะว่าไอตอนที่เป็นดี a ของพ่อแม่ที่มันไปอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีองค์ประกอบฝ่ายสัตว์ผู้มาเกิดมันก็เป็นเพียงส่วนประกอบในร่างกายของคนอื่น<ใ> น, นะญญก็ไม่มีวิญญาณธาตุของที่เป็นสัตว์ที่จะเราเรียกว่าเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่มาเกิดความเป็นบุคคลหรือเป็นมนุษย์นั้นยังไม่มีก็เป็นเพียงอวัยวะของคนหนึ่งที่เอามาใช้ เ่เพื่อไปที่อาศัยก็หมายความว่าในแง่นี้เรามองมันก็ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยอาศัยปัจจัยมาให้พังพร้อมก็คือปัจจัยฝ่ายมารดาบิดาที่เขาจะได้อาศัยแล้วก็เกิดขึ้นมามันมีการที่เห็นได้ซับในทางธรรมนะเลิบหราอตัวเราก็คือบุรดกของพ่อแม่ืออย่างเงี้ยชิ้นส่วนเล็กนอ้นอยก็ใช่เลิบหรือใช่เลิบอก็หมายความว่าก็แม้จะไม่เอาแบบว่าไข่ผสม อ่าเป็นแบบเอาจากหนังเป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นบิดามดายอยู่แล้วเรืร่อยไปอาจารย์ครับเรือยไปอ่ผมผมคิดว่ามีอยู่สองประเด็นที่ที่ควรจะทำความกระจ่างเรืร่อยไปประเด็นแรกก็คือว่าในทางพุทธเนี่ยถ้าตีความข้างเคร่งแล้วอะไรทำได้หรืออะไรทำไม่ได้ผมคิดว่าอย่างไรก็คงจะต้องตีความนะครั บ, รบแต่ก็จะมีประเด็นที่สองว่าเมื่อตีความแล้วในทางพุทธเนี่ยเราคาดหวัง เราคบบาดหวังว่าให้นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อรับทราบการตีความเช่นนั้นแล้วนะครับรจะมีท่าทีต่อชีวิตอย่างไ ร, รแล้วก็จะทําอย่างไรให้ดีที่สุดมผมอยากจะยกตัวอย่างประเด็นแรกนะครับรว่าในศาสนาอื่นนะฮะสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ได้พูดคุยกับบาทหลวงทางคาทอลิกนะครับก็ทางคาทอลิกนั้นชัดเจนว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อมีปฏิสนธิแล้วก็ห้ามไม่ให้แทรกแซง แทกแงกิจกรรมระหว่างบิดามารดาโดยสิ้นเชิงนะฮะแม้กระทั่งการปฏิสนธิในหลอดแก้วก็กระทำไม่ได้นะครับทางคาทอลิกรู้สึกว่าจะโอนอ่อนให้ข้อเดียวคืออำนวยความสะดวกให้เกิดการปฏิสนธิในร่างกายมารดาได้แต่ก็ต้องอยู่ในร่างกายมารดาไม่ใช่กระทำข้างนอกแล้วนำกลับเข้าไปฝังตัวนะครับอันนี้คือคือการตีความวานะครับ ทางอิสลามเนี่ยทางทางนักวิชาการทางทางจุฬาราชมนตรีท่านบอกว่ า, าชีวิตที่ปฏิสนธินั้นยังไม่มีวิญญาณจนกว่าจะถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน mm hmm. เมื่อพระผู้เป็นเจ้าเป่าวิญญาณให้ก็จะเป็นชีวิตที่มีวิญญาณ mm hmm. แต่เขาก็ยอมรับว่าในทางอิสลามก็แยกเป็นสองทัศนะทัศนะแรกก็คือร2อยี่สิบวันแรกนั้น เ, เนื่องจากเนื่องจา ก, กยังไม่มีวิญญาณจึงทาแทงได้ แต่ก็จะมีในทัศนะที่สองว่าเนื่องจากในร2อยี่สิบวันแล้วอย่างไรก็เป็นชีวิตจึงทำแท้งไม่ได้ค ร, ราวนี้พอมาถึงเรื่องการวิจัยเนี่ยทางอิสลามเขาเขาพูดอย่างนี้ครับรการเพราะเลี้ยงตัวอ่อนอแล้วนาเซลล์ต้นต่อมาใช้ประโยชน์ให้กับบิดาหรือมานดาซึ่งเป็นเจ้าของตัวอ่อนนั้นแล้วทำลายตัวอ่อนนั้นทิ้งไปกระทำได้ แต่ถ้านํามาเพื่อทําเป็นอุตสาหกรรมและการค้ากระทำไม่ได้อันนี้คือคือทางอิสลามตีความนะครับตรงนี้ผมอยากจะเรียนถามว่าในทางพุทธเนี่ยผมคิดว่าในที่สุดเราจะต้องตีความลงไปให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยสื่อสารกับนักวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งว่าแล้วท่านจะว่าอย่างไรถ้าจะมีเมื่อท่านทราบการตีความทางพุทธแล้วเอ่อพวกท่านจะมีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่ก็ค่อยคุยกันเป็นอีกประเด็นหนึ่ง กันที่นี้ว่า ท, ที่ว่ามานี่เหมือนกับว่าไม่ต้องตีความคล้ายๆเป็นหลักอย่างนั้นแหละเป็นแต่เพียงว่าผู้อื่นที่ไม่อยากจะให้เป็นไปตามนี้จึงไปตีความจะม <c oughs> <c oughs> หาทางตีความให้มันเป็นอย่างอื่นเหมาไหร่ก็ท่านก็มีแค่ว่าองค์ประกอบฝ่ายบิดามารดาพร้อมแล้วก็มีวิญญาณวิญญาณปฏิสนธิคําว่าปฏิสนธินี้ก็ใครใช้เฉพาะกับวิญญาณไม่ใช่หมายความว่าพอ ไข่ผสมแล้ว อ, อมันไม่ใช่ปฏิสนธิเนี่ยปฏิสนธิก็คืออาการของวิญญาณเยจังครับผมผมไม่ทราบว่าอีกประเด็นหนึ่งจะเป็นหลักในการยึดหรือเปล่าก็คือประเด็นที่อาจารย์บอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์ก็อยู่ในกิจกรรมที่ทําทําบาปทํากรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อเลยอ่าประเด็นก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่าสมมุติว่าเราก็รู้นะครับว่าการ เอาตัวอ่อนมาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือเป็นการทําลายชีวิตแน่ๆแต่ว่าถ้าการกระทํานั้นเนี่ยมีประโยชน์ที่จะไปช่วยเอกชีวิตหนึ่งก็ต้องมาชั่งว่าอะไรเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่ากันประโยชน์มันมากกว่าโทษหรือเปล่าไม่ทราบว่านั้นเป็นประเด็นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเพราะว่ามันแล้วแล้วมันก็ยังมีอีกประเด็นหนึงที่เกี่ยวข้องก็คือก็คือว่ามันจะแยกแยะหรือเปล่าว่าโทษมันจะต่างกันไหมระหว่างการทําชีวิตใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าโคลนนิ่งกับผ่านกระบวนการปฏิสนธิธรรมดาทั่วๆไปในหลอดแก้วนะครับแล้วหรือว่าเอาไปใช้เมื่อก่อนสิบสี่วันหรือหลังสิบสี่วันเหล่านี้เป็นต้นนะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าการเอา เ, อาเอาซลล์จากชีวิตใหม่ชีวิตหนึ่งเนี่ ย, ยไปใช้ประโยชน์ไปไปทำอะไรไปทำกิจกรรมอื่นต่อเนี่ ย, ยาอาจจะมีผลในการช่วยชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้กิจกรรมอย่างนี้การวิจัยแบบนี้เนี่ยควรจะส่งเสริมหรือควรจะต้องถูกตีความว่าอย่างไรหรือไม่ ไอตอนท and and lands, but, team, humility, meaning, okay. ี่ว่าคนส่งเสริมไม่ส่งเสริตอนนี้เป็นความเห็นของพวกเราแล้วคือว่าถ้ามันเป็นความจริงคือตอนนี้เราต้องพยายามหาความจริงแต่บางทีความจริงมันเราหาไม่ได้ก็เลยมันมีการตีความกันแต่ว่าความจริงก็คือมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นยังไงมันก็เป็นเข้ามาอย่างงั้นแหละนะแล้วแต่ในแง่นี้หลักทั่วไปคือให้แยกเป็นสองด้านด้านความจริงว่าความจริงมันเป็นไงมันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นสองแล้วเมื่อความจริงเป็นงนี้เราจะเอาไงเมื่อเป็นเรื่องของเราล่ะ นี้อย่างที่ท่านว่าที่ว่าโลกมนุษย์นี่เป็นโลกถ้าปะปนกันระหว่างบุญกับบาปเนี่ยทำบุญทำบาปปะพนกันไปบุญให้มากกันแล้วกันว่างั้นเนี่ยทียนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจเลือกที่ว่าเลือกระหว่างประโยชน์มากประโยชน์น้อยอะไรเนี่ยนยและอย่างที่ว่าต้องไม่ประมาทจริงๆริไอ้เรื่องที่ว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําเรานึกว่าดี และเราก็มุ่งหวังผลที่เรามองเป็นเป้าหมายอันเดียวเนี่ยแต่การกระทําของเราเนี่ยมันส่งผลอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากนี้นในระบบความสัมพันธ์เนี่ยอันเนี้ยที่เป็นตัวที่ต้องไม่ประมาทอย่างยิ่งอันว่าภาพว่าถึงใจตัวเองเนี่ยไม่เคยแน่ใจว่าไอ้มนุษย์ที่เกิดจากโคลนนิ่งมันจะมีอะไรมันมีปัญหามันวิปริตอะไรอีกบ้างที่ต่อไปมันจะเกิดปรากฏออกมาเนีคือมนุษย์ตอนนี้ก็มองได้แค่ เท่าที่ตัวรั่แวแหละต้องถอมตัวแล้วนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้รู้จริงอะเรืร่องพอนเข้าใจว่าประเด็นประเด็นเรื่องโคลนนิ่งเพื่อให้เกิดเป็นชีวิตใหม่เยเป็นคนคนใหม่เนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะชัดเจนเว่าว่าเราไม่รู้ว่าจะผลจะเป็นยังไงจะเป็นมนุษย์ธรรมดาหรือมนุษย์ประหลาดแต่ว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังยุ่งอยู่ตอนนี้เนี่ย ก็คือการเอากระบวนการโครเนิ่งเนี่ยมาสร้างมาสร้างตัวอ่อนใหม่เ ร, รอ่ไม่ปล่อยให้ตัวอ่อนเนี่ยโตเป็นมนุษย์ออืแต่เอาเซลล์ที่เกิดจากตัวอ่อนเนี่ยไปรักษาโรครรอนะครับที่เขาเรียกว่าเซลล์ต้นต่อเนี่ ย, ยแล้วก็มีทฤษฎีบอกว่าถ้าเจ้าตัวเนี่ยสามารถเอาเซลล์ตัวเองเนี่ยมาทํากระบวนการนี้จนได้เซลล์ต้นต่อ ต, ตัวใหม่เนี่ยเซลล์เนี่ยจะเหมาะมากในการรักษาอวัยวะที่เสื่อมของร่างกายเมื่อคนคนนี้แก่ไปแล้วออ นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อถกเถียงกันว่ากรณีอย่างนี้นเป็นการสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ละและชีวิตนี้ต้องถูกทำลายไปเพื่อที่็นรักษาชีวิตของเจ้าตัวคนเก่าอะไรเงี้ยอ๋อจอดช่วงนี้ตอนช่วงนี้ก็เป็นเพียงแ ม, ม้ว่าเนี่ยตัภาพเองไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียงพอต้องยอมรับก่อนคือตอนที่ทำโคลนนิ่งตอนแรกเนี่ยมันเป็นการเอาส่วนของร่างกายนี้ เหมือนก็เอาเซลธรรมดาเซลพืชเซลอะไรนไปขยายพันออกไปขยายกระจายเพิ่มจำนวนออกไปตอนนี้มันก็มันสามารถมองได้นะว่ามันก็เป็นเซลธรรมดาของแขนของอะไรเนื้อเยื่อ น, นั้นนะ่ะที่ไปขยายมันก็ ไม่เกี่ยวกับการปฏิสนธิอะไรคุกพ่ครับผมขออนุญาตกลับเรีย <DNA S 1> นตรนี้หนึ่งทว่าไปนะในทางเทคนิคเนี่ย เ, เขาจะต้องเอาเซลลเจ้าตัวเนี่ยนะครั บ, บไปผสมกับไข่ของผู้หญิง<อ>แต่ว่าแต่ว่าในไข่ผู้หญิงที่เอามาเนี่ยต้องเอาส่วนที่มีดี a อเอนี่ยออกไป<อ>แล้วก็เอา d ี a นของเจ้าตัวเนี่ยใส่ไปในไข่ผู้หญิงแทน<อ>แล้วไข่ฟองใหม่นั่นเน่ยก็จะสามารถถูกกระตุ้นให้กลายเป็นตัวอ่อนตัวใหม่ขึ้นมาได้ แต่ก็ไม่ใช่กระบวนการการผสมระหว่างเซลล์ตัวผู้กับเซลล์ตัวเมียแบบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติซึ่งอันนี้ก็คงจะมีคนอยากตีความนะครับว่านี่ไม่ใช่ชีวิตตามธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมผมผมคิดว่าถ้าถ้าประเด็นนั้นไม่ใช่ประเด็นคือสมมุติว่าเราคิดว่าเป็นชีวิตตามธรรมชาติจริงก็ยังมีคําถามว่าการกระทําอย่างนี้เพื่อให้ได้ผลไปช่วยชีวิตของคนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะสามารถทําให้เขาเนี่ยตีความได้ไหมว่าการกระทําอย่างนี้เนี่ยมันมีบุญมากกว่าบาปหรืออะไรเงี้เป็นต้น คือกลายเป็นต้องพิจารณาสองแง่ละแง่ที่หนึ่งก็คือแง่ที่ว่าในตอนที่เอาเนื้อเยื่อมาทำโครนนิ่งผสมไข่อะไรเนี่ยนะตอนนี้จะมีวิญญาณปฏิสนธิหรือไม่นีอันนี้อันหนึ่งแล้วก็สองก็คือขั้นที่เอาไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยชีวิตอื่นช่วยมนุษย์คนอื่น สขั้นทีนี้ขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นที่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ชัดเนยขณะนี้ต้องมาพิจารณากันมากอยู่อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งยังไม่เด็ดขาดเนอันที่สองก็เราได้พูดพูดในแง่ว่าท่าใช่ว่าถ้ามันไม่มีวิญญาณปฏิสนธิใช่ไหมมันก็เป็นชีวิตแบบ พืชแบบอะไรแบบไอ้ส่วนประกอบอวิวะของคนอื่นเท่านั้นเองอันนี้มันก็เลยไม่เป็นปัญหาทีนี้ถ้ามันมีวิญญาณปฏิสนธิแล้วมีความเป็นมนุษย์เนี่ยเอเราจะเอาไงใช่ไหมเน่ยก็จงอยู่ในแง่ที่ว่าอาจะยอมหลักบาปมากบาปน้อยหรือบาปน้อยบุญมากไหมอะไรนี่ใช่ไหมหรืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณาแปลว่าต้องพิจารณาสองอย่างหรือเรื่องนี้ ีสนท่วิญญาณหรือเปล่าตรงกระบวนการนี้ที่อาจารย์สมศักดิ์ว่าเนี่ยมันจะเป็นประเด็นปัญหาตรงนั้นเนอะอออันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาที่ที่ยังยากอยู่ในจุดเนี้ยเรื่อผมผมจะให้ข้อมูลนะครับคือถ้าทางเทคนิคเนี่ยโดยโดยหลักก็คือว่าเวลาเราเอาเซลลจากส่วนใดของร่างกายของเรา มันมีส่วนที่ปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยคือทั้งทั้งตัวเนี่ ย, ยมันทุกเซลล์เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจะมีของพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งเรีย อ, อยู่ในทุกๆเซลลของเราเรียอเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยก็คือเอาส่วนซึ่งเป็นนิวเคลียสจากร่างกายของเราเนีแต่ไปใส่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของไข่แล้วกระตุ้นให้กลายเป็นตัวอ่อนเ ถ้าจะตีความว่าปฏิสนธิเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตเซลล์เซลล์ตัวเราแล้วแล้วทําไมถึงเกิดเป็นตัวอ่อนใหม่ก็เพราะเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมของไข่ไข่เวลาเวลาเขาจะทํานักวิทยาศาสตร์จะทําเนี่ยก็ต้องเอาส่วนของตัวแกน d ีเของไข่เนี่ยออกไปสัก่อนแล้วก็เอาดีเที่เป็นของทั้ง่านพ่อแม่ มาใส่ก็ไปแทนแล้วก็เลี้ยงไข่ตัวนี้นต่อไป<ม>เป็นที่รู้กันว่าไข่นี้เนี่ยก็เกิดเป็นดอลลี่<ม>เกิดเป็นแกะตัวใหม่ได้ทัที<ม>เพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็คือว่าทานักวิทยาศาสตร์อยากจะใช้ก็ตีความข้าข้างตัวเองบอกว่า<ม>ก็เราเอามาจากผิวหนังนี่<ม>ไข่ก็ยังไม่มีชีวิตทั้งหมดจะเรียกว่าไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราไปสร้างตัวอ่อนแล้วไปใช้สเตมเซลล์ได้<ม>นั้นอันนี้ก็จะมีประเด็นตีความ เรื่องตรงนี้ตงยุ่งหน่อยเวตรงจุดนี้เนี่ยมเมื่อกี้ที่ท่านพูดก็มันก็กลับไปที่ทางธรรมว่าตัวเรานี่มันคือสมบัติของพ่อแม่แถ ว, วเดียวมันก็ครบแล้วองพ่อ่ใช่ไหมครับใช่แล้วเดี๋ยวก็ท่านบอกว่าพมีเานะคพร้อมหมดใช่ีควาหมหา่นติความตาสุดย่ยทีนี้จะ ก, กลับกลับเรียนท่านว่า จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเซลล์หรือดี a อเนี่ยอย่างของผิวหนังไปเนี่ยตรงนั้นมันไม่มีจิตอยู่เนี่ยคือหมายความว่ามันมีอย่างนี้คือหมายความว่าเหมือนกับว่าองค์ประกอบฝ่ายพ่อแม่นนมีแต่ตอนนี้คือไม่มีวิญญาณใหม่มาถ้าพูดแบบเนี้ย <ฮะ S 2> พูดแยกซะยังไม่มีวิญญาณใหม่มาปฏิสนธิ <ฮะ S 2> ตอนช่วงนั้นยังไม่มีแต่เขาเอาเข้าไปกระบวนการต่างๆเนี่ยตอนที่มาใส่ในไข่แล้วก็ทําเป็นตัวเนี่ยเราก็เลยไม่มีตัวกําหนดแน่นอนเราต้องมาคิดกันอีกว่าไอปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมันจะมาตอนไหนได้ไหมนั่นแหละแต่ตอนแรกนี่มันก็เป็นเพียงแม้จะมีพร้อมทั้งของพ่อแม่มันก็เป็นเพียงองค์ประกอบสองยังไม่มีวิญญาณมันปฏิสนธิตอนนี้ก็คือ จุดที่จะตัดสินก็คือเราจะถามว่าปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมาตอนไหนมาหรือไม่เนมาหรือไม่แล้วมามาตอนไหนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปทําจนกระทั่งเป็นดอลลี่อันนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่ายังไม่รู้จะเป็นได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้เพื่อที่จะเอาเอาวัยวะมาใช้เรือ่องอะไรบจ รา ผ, ผมมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะคล้ายกันแต่ จ, จะง่ายกว่าหรือเปล่าไม่ทราบก็คือว่าเป็นที่ทราบกันนะครับว่าถ้าความรู้ทางด้านพันธุ ก, กรรมมนุษย์เนี่ยเจริญไปเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวเปลี่ยนไว้เบื้องต้นก็คือมนุษย์เนี่ยก็อาจจะสามารถเลือกลูกที่มีลักษณะตามต้องการได้นะครับซึ่งก็คงมีความเห็นแตกต่างกันว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยสมควรจะใช้ความรู้ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ย อย่างไรถ้าถามง่ายๆก็คือว่าสมมติมนุษย์สามารถจะเลือกลูกตามที่ต้องการได้เนี่ยสมควรหรือไม่ที่จะเลือกหรือควรจะปล่อยให้ลูกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของธรรมชาติอย่างมากก็เพียงแต่ช่วยผสมในหลอดแก้วแต่ไม่ควรจะไปเลือกว่าลูกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการเลือกออลูกคนใหม่เนี่ยให้ปลอดจากโรคเพราะว่าความรู้เรื่องโรคเนี่ย ม, มันมีมากขึ้นว่าตัวอ่อนตัวนี้มีโรคนี้ติดมาในตัวหรือเปล่าถ้ามีก็เลือกออกเสียผสมเจอทั้งได้ตัวอ่อนใหม่ที่ไม่มีโรคมนุษย์อนาคตจะได้จะแข็งแรงปราศจากโรค<ม>แต่ความรู้นี้ก็อาจจะนําไปสู่การเลือกอย่างอื่นเ<ม>ช่นเลือกว่าลูกฉลาดไม่ฉลาด<ม>ตัวสูงตัวเตี้ยนะครับตรงนี้นี่ไม่ทราบว่าในแง่ของบาปกับบาปกับบุญตรงนี้นะครับหรือว่าในแง่ของการพยายามที่จะตัดสินว่า พ่อแม่ควรจะเลือกลักษณะของลูกมากน้อยแค่ไหนเพียงใดเนี่ยเออมันจะเป็นเออมีหลักหรือว่ามีแนวคิดอย่างไรกับในศาสนาที่จะเออเป็นที่อ้างอิงได้หรือว่าจะต้องเป็นเรื่องของการตัดสินใจของแต่ละคนเพื่อตัดสินใจเอาตามสถานการณ์แต่ละอนในแง่หนึ่งมันก็เป็นความสามารถของมนุษย์ที่ทำอะไรได้ตามต้องการได้มากขึ้น ได้สิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับตนมากขึ้นก็เหมือนกับการดำเนินชีวิตของเราที่มีเทคโนโลยีโน่นนี่มาช่วยนี่เลยก็ท่านั้นเองแต่ทีนี้ว่าไอ้สิ่งนั้นที่มันได้มาเนี่ยมันได้มาพร้อมกับผลกระทบอะไรต่อไปอยังไงอีกบ้างเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเลยพอนะเหมือนกับเรามีเทคโนโลยีเจริญเนี่ยแน่นอนเราได้ประโยชน์เพราะเราตัดสินใจจากความมุ่งหมายของเราที่เห็นประโยชน์แล้วแต่ว่า มันก็มาพร้อมด้วยผลข้างเคียงที่เรามีเทคโนโลยีแล้วก็เกิดผลอะไรต่างๆทางสังคมทางอะไรขึ้นมาเนี่ยซึ่งอันนี้บางทีมันก็ซับซ้อนจนกระทั่งเราก็ตามไม่ถึงนี่ก็เช่นเดียวกันในการที่เลือกเลิอกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีผลแม่แต่ว่าพ่อแม่อาจจะทะเลาะ ก, กันแล้วจะเลือกเขาลูกชนิดไหนใช่ไหมก็เริ่มปัญหาครอบครัวเ ล, ล้วละ เธอจะเอาหน้าตาอย่างนี้ฉันจะเอาหน้าตาแบบนี้เลยยุ่งมากันนานเลยพ่อนมันมีอผลซับซ้อนอยู่เนี่ยบางทีบางกรณีเราไม่มาแย้งกันตัดสินไม่กลับเป็นดีกว่าหมดเรื่องหมดราวไปเนี่ยแค่นี้ในครอบครัวก็ยุ่งเลยแหละเนี่ยต่อไปมนุษย์จะมีปัญหามากขึ้นในครอบครัวเป็นต้นเนี่ยเรื่องแม้แต่เลือกเลือกลูกเนี่ยแล้ว ไอ้ผลดีผลร้ายมันไหนมากกว่ากันเละสองอันนี้บางทีไม่แน่นะเลยผล น, นะบางทีผลร้ายก็มากเหมือนกันนะไอ้ความสุขความอะไรบางอย่างในครอบครัวนี่มันมันจะถูกเสี่ยงภัยไปหมดแหละนะเนี่ยไฟปัญหาเรื่องความเจริญทเทคโนโลยีที่มีทางเลือกให้เนี่ยเนะีใช่ไหมเลยว่าเราคิดด้วยดีเถอะมันก็จะอาจจะเป็นคล้ายๆกับนิวเคลียร์พรับุญพระเรื่องมันเป็น อันนี้มันจักสิ่งที่มีชีวิตเรื อ, อคือตัวเราเองอะ่ะเราอยากอล้เราเมื่อเราอยากแลวเราควบคุมใตรง น, นั้นได้ไหมคันน่นั่นแหละอาจารย์ครับผมคิดว่าเรามาถึงประเด็นสำคัญที่เมื่อสักครู่อาจารย์ว่ารวครับว่าประเด็นคือว่าการเอาเซลล์ผิวหนังอของบิดาเนี่ยมาแทนที่นิวเคลียสในไข่ของมารดาเนี่ยมีสัตว์ปฏิสนธิหรือเปล่า เพราะว่าตอนนี้จะเป็นประเด็นที่ที่สำคัญมากค<ช>รั้นี้ถ้าเราจะพูดว่าไม่มีก็แปลกเพราะถ้าเราปล่อยให้โตก็ได้เป็นแกะดอลลี่จริงๆ<ช>ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ น, นะครับแต่ในทางในในการวิจัยของมนุษย์ทุกวันนี้เราไม่ได้ปล่อยให้โตเช่นนั้นเราเพาะเพียงแค่ได้ห้าส<ช>ิบถึงหนึ่งร้อยเซลแล้วเราก็เริ่มเอาเซลเหล่านั้นไปไปรักษาโรคไปเป็นอะไรพูให้ชาติเกไปเป็นอะไรของมนุษย์ค น, น, คนอื่นนะครับ ดังนั้นผมคิดว่าตรงตรงเนี้ยน่าจะต้องหาคําตอบคือมันจะมีวิธีหาคําตอบได้ไหมครับว่ากระบวนการนี้มีวิญญาณปฏิสนธิหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินจากจากที่ใดๆหรือศาสนาใดเลยเพิ่งจะได้ยินที่เนี่ยครับคืออันนี้อาตมาว่าต้องยอมรับวิยญาณนีเพราะมันมีการจัดสันปัใจจัยใหม่เดี๋ยนี้ไอกระบวนการเขาปัจจัย ที่มันมาในรูปลักษณะใหม่เนี่ยเรายังไม่ชัดต่อไอ้ความเป็นไปของมันเนี่ยความเป็นไปตามลําดับขั้นตอนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นคือเราไม่ชัดต่อความจริงของธรรมชาตินนัเองเราก็ต้องมาอาใัยการตีความเอานี่การตีความของเรานี่ไอ้ความจริงมันไม่ขึ้นต่อการตีความหรอกเราก็ตีความไงเราก็จะเอาอย่างนั้นของเราตามความเห็นคือเราจะทําตามความเห็นไม่ได้ทําตามความจริงของธรรมชาติแล้วตอนนี้ ผมขออนุ ญ, ญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรับ ค, คือการให้เหตุผลนั้นต่างกันผมคิดว่าที่ท่านอาจารย์ผู้เนี่ยเป็นเหตุผลที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าจะหาคำตอบต่ อ, อตขออนุ ญ, ญาตยกตัวอย่างอย่างทางอิสลามนั้นก็กพูดชัดเจนว่าห้ามโคลนนิง่งแต่เหตุผลที่ทางอิสลามให้เท่าที่ผมจับใจความได้ก็คือมันรบกวนการสืบสาวสายตระกูลทานองว่ากระบวนการใดๆที่รบกวนให้สืบสายตระกูลไม่ได้ว่าใครเป็นพ่อแม่ใค ร, รกันแน่เนี่ย ทางอิสลามล้ลวนห้ามทั้งสิ้นครับเ <นะ S 2> ช่นเช่นไปเอาไข่ของคนอื่นมาทำมาทาปฏิสนธิเทียมหรือเอาเชื้อของผู้ชายท่านอื่นมาทำปฏิสนธิเทียมการอุ้มบุญปฏิสนธิแล้วฝากให้หญิงอีกท่านหนึ่งตั้งครันเหตุที่ไม่ให้เพราะรบกวนการสืบสายตระกูล โคลนนิ่งก็ถูกถูกห้ามเพราะเหตุผลเดียวกันจะเห็นว่าการให้เหตุผลจะจะต่างกันจะต่างกันคราวนี้ก็ยังคิดว่าตรงนี้น่าสนใจมากทีเดียวว่าจะต้องหาคำตอบต่อว่าการเอาเซลล์ร่างกายมามาเพาะนี้เป็นการปฏิสนธิของวิญญาณหรือไม่หรือคำตอบของท่านที่ว่าทางอิสลามมาตมามันก็เข้าแนวของเรื่องหลักใหญ่ที่ว่าการกระทําใดทำให้กุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมก็ใช้ได้ การกระทําใดทําให้อกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมก็ไม่ถูกต้องคล้ายๆอย่างนั้นก็ในกรณีนี้ก็เหมือนกับว่าพิจาณาว่าเรื่องของประเพณีการสืบสายครอบครัวอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามอย่าไปกระทบกระเทือนมันคล้ายๆอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นการใช้เฉพาะกรณีแต่หลักการใหญ่ก็อย่างที่ว่าการกระทําที่ทําให้กุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมก็ควรสนับสนุนการกระทําที่ทําให้ กุศลอะกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมแล้วก็ไม่ควรนะอันนี้ก็คล้ายๆว่าให้มนุษย์เนี่ยได้มีหลักพิจารณาในการตัดสินใจเพราะมนุษย์เป็นผู้จะมาเลือกธรรอันนี้ถ้าว่าตามตามพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะไม่พยายามไปแทรกแซงคล้ายๆว่าเพราะถือหลักความจริงของธรรมชาติเป็นแต่เพียงว่าไอความจริงเนี่ยมันมีอยู่ของมัน เดีมันคนจะเห็นยังไงไมันเห็นยังไงมันก็เป็นเข้ามันอย่างงั้นแหละทีนี้ว่าเนเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์จะทํำยังไงจึงจะเนี่ยเกิดกุศลธรรมจเจริญอกุศลธรรมเสื่อมก็อยู่ที่เนี่ยทีนี้มนุษย์จะตัดสินใจได้ดีแค่ไหนก็มีองค์ประกอบอย่างที่คุยกันมาแล้วเราก็เลยต้องมาใช้ปัญญาศึกษากันมากแล้วก็ต้องมีเจตนาตั้งให้ดีทีเดียวแต่ว่าไอ้ที่คุณหมอว่าก็แปลว่าเป็นเรื่องที่จะต้องหาความชัดเจนเหมือนกัน ว่าจะมีปฏิสนธิวิญญาณขึ้นได้ตอนไหนบ้างไหมในกระบวนการที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าจะหมายความว่าอย่างนี้หรือเปล่าครับเรื่องพอคือถ้าอย่างที่อาจารย์ประเสริฐเล่าก็คือว่าจริงๆนักวิทยาศาสตร์วันนี้รู้ละรื่องพอว่าถ้าใช้กระบวนการอย่างที่ว่าเนี่ยซึ่ ง, งไม่ใช่กระบว น, ก, บวนการธรรมชาติเรื่องอคือกระบวนการที่ไปเอาเอานิวเคลียสจากตัวแก่ของเราไปใส่ในไข่ตัวใหม่ ในที่สุดมันเกิดเป็นชีวิตได้อแกะก็เป็นตัวอย่างมาแล้วแมวก็เป็นตัวอย่างมาแล้วหนูก็เป็นตัวอย่างมาแล้วคนยังไม่เคยมีตัวอย่างนะครับเ อ, อถ้าตีความข้างเคร่งก็ต้องบอกว่ายั ง, ย ง, ยงไงวิ ญ, ญญาณก็มีแน่แต่ว่าจริงจะมีประเด็นตีความหรือเปล่าว่าวิ ญ, ญญาณที่ว่าเนี่ยมาเมื่อไหร่ออย่างนั้นหรือเปล่าครับก็นี่ตอนนี้อาตมาคิดว่าตัวเองนี่ยังไม่ให้ความเห็นลงไปเลยเด็ดขาดคือว่าอยากจะ ถ้าจะตัดสินหรือจะพิจารณาให้ความเห็นจะต้องให้หาความชัดเจนในเรื่องก่อนนะตอนนี้ต้องบอกว่ายังตัดสินไม่ชัดเจนแต่ว่าถึงยังไงก็อาตมามองว่าเป็นกระบวนการธรรมชาติแต่มีองค์ประกอบฝ่ายมนุษย์เข้าไปแทรกแซงปัจจัยฝ่า ย, ย, ยมนุษย์ได้เข้าไปแทรกแซงปัจจัยฝ่า ย, ยมนุษย์ก็คือปัญญาที่ไปจัดสรร ไอ้เรื่องของปัจจัยต่างๆที่เข้ามาสัมพันธ์กันแล้วก็เจตนาของตัวเองด้วยก็คือธรรมชาติที่มนุษย์เป็นปัจจัยพิเศษเนี่ยมันกําลังจะมีความผันแปรไปต่างๆมากขึ้นเพราะมนุษย์นี่เป็นธรรมชาติส่วนพิเศษที่มีคุณสมบัติต่างจากธรรมชาติส่วนอื่นคือมีปัญญาและมีเจตจำนง เมื่อเข้าไปร่วมในกระบวนการธรรมชาติแล้วจะทำให้กระบวนการธรรมชาติก็มันก็แปรรูปไปอีกแต่มันก็ถ้าเรายังมองไปกระบวนการธรรมชาติอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราระวังเรื่องเหตุปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องคืออย่างที่ว่าคือมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีความสามารถจะสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมานั่นเป็นจะเพลงว่าก็ไป เอาความรู้จากธรรมชาติเอาไอ้สิ่งที่มีตามธรรมชาติน่ะมาทําดําเนินการอะไรบางอย่างันอกเลยแล้วแต่ด้วยปัญญาของตัวเองก็คือปัจจัยฝ่ายมนุษย์ปัจจัยคือเจตนาและปัญญาของตัวเองเนี่ยเข้าไปก็แปลว่าเรายังต้องพิจารณาให้ความเห็นให้ชัดยิ่งขึ้นนในเรื่องที่ว่าในการโคลนนิ่งเนื้อเยื่อมาเนี่ย ตลอดกระบวนการเนี่ยจะมีจุดไหนที่วิญญาณปฏิสนธิได้หรือไม่ใช่มเรยพอ่อนี่ถ้าเรามองดูง่ายๆขั้นตน้นเราก็เห็นว่าตอนที่ทําเนื้อเยื่อตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับเรื่องเซลล์พืชเป็นต้นที่มันก็เซลล์อุปอประกอบของร่างกายอื่นๆที่มันก็แตกกระจายขยายอะไรแยกตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพิ่มเพิ่มตัวขึ้นมาได้อันนี้ก็ เป็นเรื่องขั้นตน้นนี่ตอนที่ไปฝังในไข่เนี่ยมันมีอะไรที่ต่างออกไปไหมอันนี้เนี่ยที่น่าพิจารณาคื อ, อคือก่อนที่จะให้ความเห็นมันต้องดูตัวความจริงกันว่าว่าในตอนที่เอาไปฝังในไข่เนี่ยมันมีอะไรที่ผิดแปลกขึ้นมาอีกบ้างที่จะทำให้มันเป็นจุดสกิดเช่นว่าอิตาวิญญาณ น, นันแค่จะเกิดก็เลยได้คาเตือนแลวก็เลยมาเกิดเลยอย่างเงี้ยเนย มันมีอะไรต่างมาเลยบอลในจุดทางวิทยาศาสตร์จะคิดจะคิดว่าตัวตัวไข่เนี่ยมันเป็นสิ่งวัดล้อมซึ่งข้างในเนี่ยมีสารเคมีที่ทำหน้าที่อยู่อย่างเดียวก็คือกระตุ้นให้ไอตัวไอตัวทันทุกกรรมที่รับมาเนี่ยทำงานให้กลายไปเป็นตัวอ่อนคือมันมันมันถูกโปรแกรมมาแล้วตัวตัวตัวไข่ใน ในในส่วนที่ไม่ใช่เป็นส่วนนิวเคลียสขอภัยแทรกนิดหมายความว่าใครในกรณีนี้ก็เป็นเพียงสภาพไวดลอมที่เอือ้อใช่ต่อการที่จะเจริญงอก ง, งามของเจ้าเซลล์เนื้อยืดนั้นใช่ไหมเลยพใช่พ่ อ, อเท่านั้นเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักหลัก ง, ง่ายๆก็คือถอดนิวเคลียสออกไปซะเอานิวเคลียสตัวแก่มาใส่ อ, อแล้วก็ใส่สารเคมีให้เต็มที่เป็นที่พิสูจน์ว่าอย่างเนี้ยทําได้หนูก็ทําได้ แก่ก็ทำได้วัวก็ทำได้มันก็ต่างอย่างชัดเจนจากการผสมพันธุ์ตามปกติที่นนฝ่ายไข่ของผู้หญิงนั้นมีนิวเคลียสอยู่แล้วก็ไปได้ของเล่อ์ชัยยอต่างกันโดยสิ้นเชิงการคือไม่ต้องสมบัติของไข่ที่มาจากแม่ไข่ยังไงก็ต้องมาจากแม่ แต่ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวอ่อนของตัวพ่อมาผสมแล้วก่อนคือพี่ไม่มีใครรู้คือมาเรคอนเดียของแม่ดิมีมาเตอรคนเดียวของแม่อะไรจะเป็นปัจจัยใช่ไหมไม่มีใครรู้ <c oughs> อะไรนะตรงที่ว่าไม่มีใครรู้เนี่ยคืออย่างงี้ครับมันมีความแปลกของเซลล์ของมนุษย์อยู่ที่ว่าหรือเซลล์ของสัตว์อื่นๆ <c oughs> ว่าไอ้ตัวส่วนซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนนิวเคลียส ข้างในเนี่ยมันมีส่วนซึ่งมันมีเหมือนกับ DNA อยู่นะอยู่ในส่วนที่เขาเรียกว่าไมโตคอนเดรีย ท, ที่อยู่นอกนิวเคลียสนะครับส่วนนี้แปลกมากก็คือมาจากแม่อย่างเดียวมี DNA อยู่แต่เป็น DNA ของแม่เฉพาะเลยเฉพาะเล ย, พ เ, ลยเพราะฉะนั้นในวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ DNA ของแม่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าสายมันเป็นสายตรงสายเดียวเนี่ยวิ่งกลับไปหาตัวแม่ เพราะฉะนั้นนักพิทยาศาสตร์ก็ใช้ไ อ, อตัวดีเออที่อยู่ในส่วนไม่ใช่นิวเคลียสเนี่ยตามกลับไปว่าดีเอนั้นสายแม่สายแม่สายแม่ไล่ไปยาวที่สุดเท่าไหร่อันนี้ถามคําถามนี้ได้สมัยโบราณก็สืบนำสบุกทางแม่เป็ต่องเลยคนไทยสืบต้นมาทางแม่จนจนมีหนังสือเขียนออกมาว่า สายพันธุ์ในยุโรปทั้งหมดเนี่ยจากการศึกษาโดยใช้ไ mm hmm. ม่ตัวคนเดียวดีเนเมาจากผู้หญิงแค่เจ็ดคนมันมีสายมาเรียกเซเว่นดอทเอร์สอฟอีฟไอจากจากการที่ศึกษาไอตัวสายพันธุ์ของ d n เนี่ขึ้นไปแล้วเขาก็ใช้วิธีนี้ในการสืบย้อนกลับไปจนถึงแอฟริกาว่าจากแอฟริกานี่ก็แตกออกไปเป็นเจ็ดเจ็ดสายแล้วก็วิ่งไปได้เรื่อยๆ คือรหัสพันธุกรรมพวกนี้เนี่ยขณะนี้อ่านได้ทั้งหมดเเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าของพวกนี้มาจากสายไหนเนี่ยทําได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่อาจารย์พูดสายพันธุ์หมดก็อ่านได้ใช้รหัสอ่เ ว, ว่าสายนี้กับสายนี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นเอสําหรับกับผมเองนี่ผมผมมีคือถ้าสมมุติไปอ่านแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ แล้วเราวิ่งเข้าไปอีกข้างหนึ่งเนี่ยที่เป็นสุดโต่งข้างซึ่งบอกว่าชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสารเคมีและฟิสิกส์แล้วโดยวิวัฒนาการเนี่ยมีสิ่งซึ่งเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากสัตว์ชั้นต่ำมาจนถึงมนุษ ย, ย mm hmm. ์ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ก็น่ากลัวอีกแบบหนึ่งเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นในขณะนี้ที่ห้องแ a b เราสามารถที่จะสร้างไวรัสเองสร้างไวรัสตัวใหม่ได้เองก็แปลกมันมาจากสารเคมีสร้างไปจนกระทั่งกลายเป็นไวรัสซึ่งมันก็แพร่พันธุ์กลับเข้าไปในธรรมชาติได้สิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะน่ากลัวในแง่ที่ว่ามนุษย์สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่พอเวลาไปพูดถึงเรื่องวิญญาณเรื่องต่างๆซึ่งพยายามที่จะพูดถึงกันเนี่ยในส่วนต่อนี่ยากมากเลย คือ่าหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ถ้าจะคิดอย่างสุดต่งนี่ก็คือคิดว่าไม่มีเล ย, เ ย, ยก็ก็น่ากลัวอีกแบบ <c oughs> ทีนี้ก็มีสองแง่ที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือหนึ่งในทางนมามธรรมแล้วก็พูดได้ง่ายบอสภาพเอื้อมาเกิดเมื่อไรอาจ้าวิญญาณมันก็ปฏิสนธิได้เหมือนนั้นอ้าวก็หมายความว่ามนุษย์ไปสร้างสภาพเอื้อให้มันใช่ไหม มันเกิดปัจจัยพร้อมข้แลไอ้วิญญาณก็อาศัยปัจจัยนี้เอาเลยนี่ก็ต่อไปเลยนี่ก็หนึ่งทีนี้ก็สองที่คุณหมอว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีจุดที่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถให้ความกระจ่างชัดใช่ไหมที่ว่าเมื่อกี้ไอ้ที่ว่ายัางต้องอาศัยองค์ประกอบฝ่ายไข่ของผู้หญิงเนี่ยยังไม่สามารถจะตัดขาดออกไปได้เนี่ยไอ้ที น, นี้มันก็ทําให้ มีจุดที่ยังต้องพิจารณาคือถ้ามองเมื่อกี้เนี่ยก็ไปลวาเราพูดมาถึงแง่ที่ว่าหรือขั้นตอนที่ว่าเอาเนื้อเยื่อมาโคร น, นิ่งเนี่ยมาโครนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นเพียงเพิ่มขยายตัวของเซลล์ในเนื้อเยื่อของอวัยวะเป็นส่วนประกอบของร่างกายของคนนั้นก็เท่านั้นเอง ทีนี้ถ้าามาใสายไข่เป็นสภาพแวดล้อมไอ้เจ้านี่มันก็เป็นเพียงว่าจะเรินงอกงามขึ้นไปก็หมดเรื่องไม่มีอะไรแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์จะต้องมาไขาให้ความกระจ่างตรงนี้อีกหละแน่ว่วาเออมันมีอะไรขึ้นมาอีกองเนี้ยที่ว่าไอ้องค์ประกอบจุดนี้มีความสัมพันธ์เท่าไหร่แค่ไหนไอ้ปัจจัยส่วนนี้เนี่ยจะต้องมาพิจารณาตรงเนี้ยตอนที่เข้ามาอยู่ในไข่แล้วมีไอ้ตรงจุดเคราว่ามี ปัจจัยจำเพาะที่จะต้องมีฝ่ายของมารดาอันนี้เนี่ยและอันสายปัจจัยตัวนี้เป็นตัวสําคัญแค่ไหนแล้วจะไปโยงกับเรื่องนามธรรมเรื่องวิญญาณในที่วานี่ยยังไงเนี่ยจุดเนี้ยที่เราเองเราก็ไม่รู้ชัดนะเนี่ยก็หมายความวิทยาศาสตรก็ไม่รู้ชัดฝ่ายนามธรรมก็บอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันในกรณีนั้นก็ตัดสินยังไงแล้วก็คุณก็ยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมไม่แน่ใจว่าคํ า, ารู้ชัดคืออย่างนี้ครับท่านคือว่า เนื่อจากว่าถ้ามองดูจากว่าถ้าเกิดว่าปฏิสนธิวิญญาณที่เกิดขึ้ น, น เ, <อ>เรามองว่าฝ่ายพ่อก็เอาดีเนเอของฝ่ายพ่อมาฝ่ายแม่ก็มีดินเอของฝ่ายแม่มาเยมเมื่อพ่ อ, เ, อ, เ, อเข้าไปอยู่ในฝ่ายของไข่ของแม่ที่มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่พ อ, พอตัวอ่อนก็จะเกิดขึ้นได้ปฏิสนธิวิญญาณก็ได้ปัจจัยพร้อมที่เอื้อก็เกิดขึ้นเลยตอนนี้ถ้ามามองว่าถ้าเกิดเป็นเซลล์ของผิวหนังที่มีเซลล์ตัวแก่ซึ่งก็มีดินเอของพ่อเ กรณีในอของแม่อยู่ เ, เมื่อเข้าไปในรังในไข่ที่มีความพร้อมอก็จะเกิดเป็นตัวอ่อนได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นก็ก็ที่ว่าเมื่อกี้ว่ามันพิจารณาได้ในแง่ว่าถ้าเป็นเนื้อเยื่อเซลเนื้อเยื่อของฝ่ายพ่อหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปใส่ในไข่ แล้วไข่เป็นเพียงสภาพไปรอบทือเอื้อต่อการเจริญเติบโตเขาอ่อนเท่านั้นนะถ้าเราได้แค่เนี้ยมันก็จะมองไปได้ในแง่ว่าเป็นเพียงไอ้อวัยวะส่วนประกอบขอเขาอวัยวะที่เจริญงอกงามไปเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ที่ฟังคุณหมอก็คล้ายๆว่ามันมีปัจจัยที่ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือในไขนะ่นั้นมันยังมีอะไรอีกอที่มันมีส่วนเนะี่ยที่เลือให้เป็นตัวอ่อน ใช่ตัวเนี้คยคล้ายๆว่าก็ขาดไม่ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่ว่ามันจะเป็นตัวสําคัญหรือเปล่าเป็นปันจจัยที่จะทําให้วิญญาณมาันเป็นสนธงที่เนี่ยเนี่ยก็เลยมันก็เลยคล้ายๆว่าไฟหนึ่งยังไม่ชัดอีกไฟหนึ่งก็พลอยไม่ชัดไปด้วยวันนี้เราก็รบกวนเวลาท่านเจ้าคุณไม่ใช่ก็ไม่เดี๋ยวเลยเดี๋ยวจบด้วยความไม่ชัดชนิดเลยท่านเจ้าคุณจะ ช่วยครุนาสรุปมาเกรงว่าท่านจะเหนื่อยไปป่าไม่เป็นไรตอนนี้ไม่เป็นไรแหละ <c oughs> พอคุยกันออกเรื่องออกราวไปไ <c oughs> จะลองให้จะลองให้ข้อมูลซึ่งมันจะทำให้สับสนขึ้นไปอีกอคือจริงๆแล้วในธรรมชาติถ้าเราดูสัตว์ประกกัด เ, เปลี่ยนเพศได้จากสิ่งแวดล้อม แล้วก็จริงๆแล้วนี่เรื่องเพศชายเพศหญิงที่จะต้องมีคู่แล้วก็เกิดเป็นสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมา<ช>มีลูกอะไรต่างๆเนี่ยในธรรมชาติมันจริงกว่านั้นอีกในแง่ที่ว่าถ้าสัตว์ใดก็ตามในช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยขาดตัวเมียรหรือขาดตัวผู้มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเพศได้ อ, อในในปัจจุบันเนี่ยก็มีคนพยายามทําการทดลองที่บอกว่า เอาเซลล์ประเภทที่ไม่มีพ่อเลยแล้วมาสร้างเป็นตัวอ่อนได้หรือไม่อะไรต่างๆพวกนี้ในขณะนี้มันเริ่มทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้มันมีกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอยู่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะเข้าไปหากฎเกณฑ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็พิสูจน์ได้ไปตามสัตว์ชนิดต่างๆกันแล้วสัตว์ชนิดต่างๆใช้กฎเกณฑ์ไม่ค่อยเหมือนกัน ผมคิดว่ามนุษย์ก็อยู่ในสภาวะลำบากเพาความรู้ที่มากขึ้นแล้วเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแต่มันก็จะมีประเด็นกลับมาสุดท้ายก็คือว่าเราก็มองเห็นชัดอยู่ว่ามนุษย์แตกต่างกับสัตว์อื่นชัดเจนเตรงจุดแยกมันอยู่ที่ตรงไหน อ, อันนี้ยิ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ยิ่งเข้าใจ ย, ยากขึ้นยากขึ้นทุกวัน ผมผมผมขออนุญาตอตอบตรงนี้จริงๆครับผมไม่ทราบว่าจะจะตีความอย่างที่อาจารย์ปรีดาว่าอย่างนี้ได้ไ ห, รหรือเปล่าครับก<อ>็คือว่าเาถึงแม้ เ, เชื้อตัวผู้กับไข่แต่แม่เนี่ยจะผสมกันเนี่ยเกิดเป็นชีวิตเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่มนุษย์ไป่ทราบนะครับตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นหรือเปล่าแล้วถึงถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจึงจะเกิดความเป็นมนุษย์ขึ้นมีวิญญาณขึ้นคือแยกกันระหว่างสองอันนี้หรือเปล่า อันนี้ขออนุญาตทำให้มันยุ่งขึ้ น, นก็อย่างที่ว่าก็หมายความว่าไปคำนึงถึงการตีความแบบที่ว่าตอนที่ผสมไข่แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีปฏิสนธิวิญญาณใช่ไหมลูกแล้วปฏิสนธิวิญญาณมาทนหลังแต่นี้ถ้าถือตามหลักแบบพื้นฐานก็คือถือว่าไอ้เจ้าสามเนี่ยมันจะเกิด เรียกว่พร้อมกันหมายความว่าองค์ประกอบสองอันแรกพร้อมแล้วอันที่สามก็มาได้เลยคือคล้ายๆที่สามมันอาศัยความพร้อมขององค์ประกอบสองอันแรกเพราะฉะนั้นถ้าว่าตามนี้ซึ่งจะถือเป็นการตีความข้างเคร่งหรือไงกันแล้วแต่ก็คือว่าปฏิสนธิวิญยายก็พร้อมเริ่มความเป็นมนุษย์พร้อมกับการที่ไข่ผสมได้ทีนี้ ว่าถึงว่าตีความค้างเคร่งอันนี้มาใช้กับที่คุณหมอว่าคือไอ้เรื่องที่ว่าเอาเนื้อเยื่อมาโครนแล้วก็ตอนแรกเราก็มองเห็นว่ามันเป็นเพียงการเจริญงอกงามของเซลล์ธรรมดาของประส่นประกอบของอวัยวะแล้วต่อมามาใส่ในไข่เนี่ยตรงเนี้ยที่ว่าต้องอาศัยองค์ประกอบฝ่ายแม่นั้นชัดเนี่ย ตรงนี้เราอาจจะตีความค้างเคร่งก็บอกว่านี่แหละตรงนี้แหละปฏิสนธิที่วิญญาณเกิดใช่ไหมเลยพอแบบเดียวกันนี่ก็ก็ตอนนี้ก็คล้ายพูดได้แค่นี้ก่อนเพราะว่าตกลงว่าเรายังไม่มีความชัดเจนพอในเรื่องความจริงของธรรมชาตินี้ด้วยเราก็พูดได้แค่เท่าที่เราพอมองเห็นแล้วเอามาประกอบการพิจารณาแล้วก็ให้เป็นความเห็นแต่เราไม่สามารถไปตัดสินความจริงได้นะก็เป็นเพียงความเห็นของเราเท่าที่ว่าดูจาก ใอ้ความจริงเท่าที่รู้และในเรื่องเพศนี่ก็ทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเปลี่ยนไปเป็นมาอยู่แล้วใช่ไหมเลยพอผู้ชายก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายเป็นแต่เพียงช้าหน่อยนะก็หมายความว่าชาติชาติต่อไปคนผู้ชายก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงคนผู้หญิงไปเกิดผู้ชายก็แล้วแต่แต่องค์ประกอบสําคัญก็คือความโน้มเอียงของจิตใจความฝ่ายปรารถนานจิตที่ ที่สร้างของตัวเองไว้ก็คือกรรมนั่นแหละสร้างตัวเองกรรมก็คือความปรารถนาเจตจำนงความมุ่งหมายฝ่ายฝันจิตฝักไฟครุ่นอยู่ใช่ว่าผู้ชายที่คิดถึงความเป็นผู้หญิงอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยนะต่อไปก็เปลี่ยนเพศไปเกิดใหม่เป็นผู้หญิงได้ผู้หญิงก็จิตใจก็น้มมาทางเป็นผู้ชายก็ต่อไปเกิดใหม่ก็เป็นผู้ชาย แต่ว่าเรื่องในสมัยพุทธกาลมีถึงก็เปลี่ยนในชาตินี้เลยนั่นเลยพอแต่ว่าถ้าว่าถึงเปลี่ยนต่างชาตินี้เป็นเรื่องธรรมดามาเกิดใหม่ก็เปลี่ยนได้โดยอาศัยกรรมการปรุงแต่งก็อันนี้ก็เรื่องความเป็นหญิงเป็นชายก็เลยไม่ใช่เรื่องออไม่ใช่เรื่องตายตัวเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติอย่างที่ว่าอันนี้ก็กลับมาสู่ประเด็นในเรื่องเนี้ย ก็คือเรื่องตัวชีวิตที่ว่าเริ่มความเป็นมนุษย์เริ่มชีวิตมนุษย์ตอนไหนใช่ไเหเลยก็เท่าที่ว่ากันมาวันนี้แตมาว่าเราก็คงจะได้ความพอคร่าวๆอย่างนี้ก่อนคือเอาเป็นว่าพุทธศาสนาว่ามาเป็นหลักพื้นฐานก็ว่าเมื่อองค์ประกอบไฟบิดามัรดาพร้อมแล้วก็อาศัยองค์ประกอบพร้อมนี้ก็วิญญาณปฏิสนธิเนะียก็ เกิดเป็นมนุษย์เลยแล้วก็ถ้าว่าถึงกระบวนการคโคลนนิ่งที่ใช้เนื้อเยื่อเราก็เอาไปว่าตอนที่เป็นคโคลนจากเนื้อเยื่อตอนแรกก็เป็นเพียงการเจริญเติบโตการเพิ่มขยายตัวของเซลมาจนกระทั่งมาถึงตอนเข้าไปฝังในไข่ซึ่งมีองค์ประกอบใหม่ที่เป็นพิเศษเฉพาะตอนนี้เรายังไม่รู้ชัด เราก็ตีความข้างเคร่งพิจารณาให้ความเห็นแบบเคร่งไว้ก่อนว่าเนี่ยตอนเนี้ยวิญญาณปฏิสนธินี่หมายความว่าเราไม่ได้ไปตัดสินธรรมชาตนะินะหมายว่าเราอาศัยความรู้เท่าที่มีแล้วก็พูดกันไปก่อนคุณหมอจะว่ายังไงล่ะตอนนี้้็ฟังก็ได้ข้อสรุปอนะคะอย่างที่เป็นการตีความข้างเคร่งอย่างที่ท่านว่าคือตรง ตรงที่โคลนิ่งในความเห็นส่วนตัวคิดว่าเมื่อมีชีวิตแล้วมันต้องมีปฏิสนธิวิญญาณเพียงแต่คำถามว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเรารู้ว่าจุดไหนเกิดขึ้นแต่เวลาเรามาจัดกระบวนการเนี่ยเราไม่รู้ว่าความพร้อมมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อมองค์ประกอบสององค์ประกอบและอันที่สามเนี่ยจะเข้ามาตอนไหนเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราทาขึ้น ให้มันเกิดความพร้อมแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆมันพร้อมเมื่อไหร่และปฏิเสธส่วนที่วิญญาณจะเข้ามาตอนไหนแต่ถ้าเบื่ออย่างที่ท่านสรุปให้ก็คิดว่าได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะพอได้คําตอบแล้วที่อาจจะไปเป็นแนวทางในการที่จะไปพูดคุยกับคนอื่นว่าทางพุทธว่ายังไงใช่ไหมเพราะาอาจารย์สมศักด์กับอาจารย์ประสทธิ์ประเสริฐ ประเสริฐก็พยายามที่จะหาคำตอบที่ชัดเจนและมีเอกสารอ้างอิงได้ก็เลยต้องมารบกวนท่านทุกคุนให้เป็นธรรมาติอย่างว่ในจิตชัดแจ๋วเพราะว่าเรายังไม่รู้ธรรมชาติชัดพอก็ต้องธรรมชาติเราก็ต้องรู้กวาจริงขึ้นวบนเราจึงจะให้ความเห็นได้ชัดแต่ว่ามันก็ต้องไปสู่นั่นนะเพราะเรากำลังพูดถึงจริยธรรมอยู่เลย มันก็ไปถึงเรื่องหลักความไม่ประมาณ <S 1> <S 1> <S 1> <ภ>การที่จะต้องคํานึงอยู่เสมอถึงการที่มนุษย์เราเนี่ยยังไม่รู้เพียงพอเรื่องระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเนี้ยหลักการที่ว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอันเด็กเนี่ยอันเนี้ยเหตุปัจจัยหนึ่งจะก่อผลอะไรกระทบต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากคิดว่าวิทยาศาสตร์จะต้องคิดเรื่องนี้กันไปอีกนานเลย แล้วก็ไม่รู้จะรู้ได้ยังไงแล้จะทั่วถึงนี่นะใช่ไหมเล็กพรอันนี้มันเรื่องใหญ่ที่ว่ามนุษย์จะเอาชนะธรรมชาติได้ยังไงถ้าเราไม่รู้อันนี้จริงใช่ไหมมันรู้ไม่ทั่วถึงนี่มันรู้ไม่ได้ระบบความสัมพันธ์เนี่ยและคือก่อนนี้เราพูดกันถึงเรื่องเนี้ยเรื่องหลักการพุทธศาสนาท่านถือว่า คนเราเนี่ยมักจะมองเหตุเดียวผลเดียวแล้วลัทธินี้เป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าเอกการนววาดเนี่ยแต่เราก็ต้องการผลอย่างหนึ่งเราก็ทําเหตุที่เราต้องการให้เกิดผลนั่นแค่มองด้แค่ น, นั้นแหละแต่แล้วไม่ได้ดูว่าที่จริงไอเหตุอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นปัจจัยแก่ผลมากมายไม่รู้กี่อย่างและผลที่เกิดขึ้นอันหนึ่งก็เกิดจากปัจจัยมากมายเนี่ยอันเนี้ยเรียกพอนมีในพรไตรวิฎกอะไรไหมที่ข้อไหนที่มันจะมา บแล้วินี่คือหลักการเลยหลักการพุทธศสนาที่เรียกว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอันเด็กถ้าเป็นเหตุเดียวผลเดียวท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นลทัทธิผิดและหลักกรรมก็เหมือนกันอาเชิญเชิคุณหมอผู้คุณท่านฮะแล้วที่มีกําเนิดโอปาติกะนะฮะผมขอทราบว่ามันจะเป็นอไนะไก็เป็นกําเนิดเป็นพิเศษอีกแบบหนึ่งเลยเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลย คือหมายความว่านี่เรากาลังพูดถึงมนุษย์มนุษย์ก็มีกําเนิดแบบนี้ที่ท่านเรียกว่าชลาพุชาไอ้อุปปาติกานันก็เป็นกําเนิดอีกแบบหนึ่งชีวิตคนละแบบเลยแปลว่าอะไรครับอุปปาติกาแปลว่าแปลว่าเกิดผุดขึ้นแปลกันว่างเกิดผุดขึ้นหมายความว่าเกิดก็โตเต็มตัวเลยอย่างพวกเทวดาอะไรพวกเนี้ยท่านเรียกว่าเป็นโอุปปาติกาเลยว่า แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่กำหนดแบบมนุษย์มนุษย์ก็ไม่ไปเป็นโอปปาติกะโอปปาติกะของมนุษย์ก็คือเกิดทางใจเช่นเป็นพระอริยบุคคลอันนั้นเป็นภาษาในคนละความหมายคือไม่ใช่กาหนดแบบรูปธรรมแต่กำเนดทางนามธรรมหมายความว่าเอาศัพ์รูปธรรมมาใช้เทียบเคียงเหมือนกับเดินทาง เราพูดถึงเดินทางไปตามถนนแล้วเสร็จแล้วเราก็มาบอกกำหนชีวิตก็คือเดินทางชีวิตแต่เดินทางชีวิตมันก็คนละเรื่องกับเดินทางนั้นนี่คําว่าโอปปาติกะนี่ตามปกติก็เรียกกําเนดแบบหนึ่งซึ่งต่างไปเลยจากพวกมนุษย์เกิดผุดขึ้นเต็มตัวเลยทีนี้สําหรับมนุษย์ท่านก็ามาใช้เทียบเคียงเป็นเกิดทางใจหมายความว่าเราเนี่ย สามารถเปลี่ยนจิตใจจากมนุษย์ปุตุชนไปเป็นอริยบุคคลเป็นพระอนาคามีพอเป็นอนาคามีก็เป็นโอปปปาติกะคือเกิดพุดขึ้นในใจหมายความเกิดทางใจโดยไม่ต้องมีรูปร่างไม่ต้องมีกระบวนการอะไรขึ้นมาเลยหรอกราขอพระคุณท่านเจ้าคุณรู้สึกจะหมดคำถามแล้วค่ะแล้วก็ได้แนวทางพอสมควรแล้วนะคะแต่ถ้าเผื่อมีอะไรอาจจะต้องมากราบ กราบนวัสการท่านอีกครั้งหนึ่งทีนี้ขอนิดหนึ่งนะคะว่าอยากจะถามตรงนี้ที่ติดใจยอยู่ว่าเรื่องของรูปนามอะคะ่ะ อ, อย่างจักขวิญญาณหรืออะไรต่างๆรูปนามเกี่ยวกับจักขวิญญาอะไรเงี้ยมันชัดแต่มโนวิญญาณเนี่ยรูปของมโนวิญญาณเนี่ยคืออะไรเพราะเวลาพูดถึงจิตเนี่ยในความเข้าใจก็มักจะคิดว่าเป็นนามมาทําเป็นนามอยู่แล้ว เ, เพราะฉะนั้นในมโนวิญญาณนี่ยก็จะมีรูปนามเหมือนกันแล้วอะไรเป็นรูปของมโนวิญญาณอ๋อมโนวิญญาณ น, นี่เป็นนามนั่นเลยเหอเป็นนามเลยแต่ว่าอาศัยรู ป, ปรธรรมก็คือเป็นตัวที่ยังถกเถียงกันอยู่คือในพระไตรปิฎกจะไม่พูดถึงเลยรู ป, ปรธรรมที่เป็นที่อาศัยของมโนวิญญาณนะคือแค่ว่าเวลาเราพูดถึง วิญญาณทางตาเราก็บอกว่าอาศัยลูกตาใช่มลูกบอนเนี่ยแต่ให้จกักุวิญญาณมันก็เป็นนามธรรมทีนี้มาอาศัยลูกตาที่เป็นรู ป, ปรธรรมทีนี้ฝ่ายมโนวิญญาณก็เป็นความรู้ทางใจแล้วก็อาศัยรูก ป, ปรธรรมอันไหนก็เลยมีการเอามาถกเถียงกันในในพระสูตรเนี่ยไม่พูดถึงแต่ในอภิธรรมมีใ น, นคมภีปัตฐานใช้คําวัดวัตถุเฉย คำว่วัตถุก็แปลว่าที่ตั้งที่อาศัยหมายความเป็นที่อาศัยหมายความว่าวิญญาณแม้แต่ที่เป็นมนุวิญญาณทางใจเนี่ยมันก็มีที่อาศัยแล้วก็เลยในยุคหลังเนี่ยในยุคต่อจากพระไตรปิฎกมาก็มีผู้ใช้คําว่าหัตถยวัตถุขึ้นมาในสมัยพระไตรปิฎกแม้แต่พิธรรมก็ยังไม่มีคําว่าหัตถายวัตถุมายุคหลังก็มีคําว่าหัตถยวัตถุก็ถือว่าหัตถายวัตถุเนี่ย เป็นที่ตั้งของมนุวิญญาณเนี้ยเอาและเริ่มและเริ่มทีนี้พอหัทไทยวัตถุคําว่าหัทไทยมันแปลหัวใจเนี่ยก็เลยคำพีอย่างวิสุทธิมาร ก, ก็ถือว่าหัวใจเนี่ยที่เป็นรูปธรรมนี่แหละเป็นที่ตั้งที่อาศัยของมนุวิญญาณก็เลยมีการเถียงกันใหญ่นะว่าหัวใจก็คือหัวใจไม่น่าจะเป็นนั่นจิตใจก็เลยเกิดความ การถกเถียงกันขึ้นพอเะใช่บางท่านก็บอกไม่ใช่เราต้องสมองที่เป็นที่ตั้งของมโนวิญญาณแค่นี้บางท่านก็พูดอีกแบบบอกมโนวิญญาณก็คืออาศัยชีวิตมนุษย์ที่เป็นส่วนร่างกายทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าไอาชีวิตมนุษย์ที่ประกอบด้วยรูปธรรมทั้งหมดมันประกอบขึ้นเป็นตัวคนก็มโนวิญญาณมางวันไม่จะไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่ที่ไหนหรอกเนี่ยมันก็อาศัยไอตัว ภาวะสภาวธรรมที่เป็นมนุษย์รองรับที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดนี่แหละก็ท่านก็เล ย, ยในพิธามใช้คาว่าถูดเฉยๆก็ไปอันว่านี่เหมือนกับว่าเราก็ดูวิวัฒนาการในเรื่องของศัพท์ด้วยแล้วก็มาดูในทางความคิดซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องตีความไปอย่างที่คุณหมอว่าแหละคือมันเป็นเรื่องของคนรุ่นหลังก็มาตีความไปก็เอาเป็นว่าเดิมไม่มี พูดถึงคือ ใ, ใครยๆท่านสมัยนั้นอาจจะไม่มีใครถามก็ได้อาจจะไม่มีใครสงสัยว่าไอ้เจ้ามาโนวิญญาณมันต้องไปอาศัยจุดตรงไหนใช่ไหมคืล้ายๆว่ามาโนวิญญาณก็เป็นสภาวะที่อยู่ในความเป็นมนุษย์อาศัยตัวคนทั้งหมดเนี่ยเนี่ยมันอยู่เข้ามันแล้วต่อมาก็เลยทักไปหาที่ตั้งเฉพาะคือพอไปคิดเอาลูกตาเอาหูเอาอะไรไปเป็นหลักเขาเลย ไอ้เจ้ามาโนวิญญาณก็จะต้องมีที่บงัง ใ, ให้เหมือนกับเจ้าตาเจ้าหูเพราะไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องมีรูปนามคู่กันไงคะก็เพราะท่านเจ้าคุณแล้วก็ชัดเจนนะเพราะว่ามีบางท่านเนี่ยไปพูดกับนักเรียนแพทย์นักเรียนแพทย์ไปปฏิบัติแล้วก็ไปพูดถึงฮัทไทยวัตถุว่าอยู่ตรงหัวใจก็เลยเกิดความไม่เชื่อกันขึ้นยกใหญ่มากมายแต่วันนี้ก็ อันนั้นเขาว่าอธิบายคุณหมอว่าชัดเลยเลยไม่ที่ที่ท่านจะคุณอธิบายเนี่ยชัดทําให้รู้ว่าทําไมก็ถึงใช้คําว่าหัตยวัตถุอยุติธรรมเนี้ยค่ะก็นี่แหละโดยเฉพาะคําภีวิสุทธิมัตค์คำภีวิสุทธิมัตส์จะมาอธิบายเรื่องหัตยวัตถุเนยาวเลยว่าหัตยวัตถุเนี่ยเป็นที่ตั้งของมโนวิญญาณเวนโอปิญญาณอาศัยแล้วหัวใจนี้นั้นจะมีน้ําเลี้ยงสีต่างๆถ้าคนมีหัวใจน้ําเลียงสีนั้นจะมีลักษณะ นิสัยอยังงานงานต่างๆกันไปเลยก็เลยเกิดการถกเถียงมากมายเพราะไม่เชื่อกันนั่นแหละพ่ามันจะมีสิ่งนี้ก็คงเพราะว่าเป็นการตีความนั่นเองมันก็เลยบางคนก็จะเชื่อไม่เชื่อคือไม่ไม่ถึงกับตีความไปอาศัยคมภีร์รุ่นหลังคมภีร์รุ่นหลังที่มาอธิบายก็แต่ว่าเอาเป็นว่าในยุคพุทธกาลในพระไตรปิฎกในพระสูตรเนี่ยไม่มีกล่าวถึงเลยและในอภิธรรมในปัจฐานก็ใช้คําว่าแค่ว่าวัตถุ แล้วมายุคหลังอย่างวิสุทธิมรรคก็มีคำว่าฮัทไยวัตถุขึ้นมาเรื่องของคุณท่านไม่ทราบีอะไรไหมคะถ้าไม่มีแลกราบอาจารย์สมศักดิ์มีอะไรเชิญก็โมทนาคุณหมอเรื่องเรือกอ่อน